เราพูดธรรมะสบายๆแบบกันเองแต่ไม่ใช่ว่าผู้ฟังนั่งฟังได้ตามสบายนะแต่ว่าให้สบายด้วยการ น, นั่งภาวนาฟังนะเอาเข้าที่นั่งภาวนาเพราะการภาวนานั้นมันเป็นการสำรวมมันเป็นการระวังมันเป็นท่าทีที่เตรียมพร้อมท่าทีที่เตรียมพร้อมคือการภาวนา การภาวนานี่เป็นการทำงานของใจทำงานมาที่ใจกากับควบคุมดูแลใจจ่อมาที่ใจของตัวเองเนี่ยมันเป็นการภาวนานั่งจอนั่งกาหนดจดจอนั่งพิจารณาอยู่นี่แหละจ่อให้มันอยู่กับที่มันก็จะสงบใช้สติอย่างเต็มที่ ใช้สมาธิอย่างเต็มที่ของใครของเราใช้ความตื่นตื่นตัวรู้ทั่วพร้อมของใครของเราทำการรู้ตัวพร้อมอยู่อย่างนี้ปลุกตัวเองพร้อมอยู่อย่างนี้มันจะทำให้จิตของเราเนี่ยตื่นรู้สงบจ่ออยู่กับที่คือความสงบ จอไปด้วยพิจารณาด้วยมันเป็นเรื่องของปัญญามันจะสงบก็ตามมันจะเป็นเรื่องของสมถะก็ตามมันจะเป็นเรื่องของวิปัสสนาก็ตาม <c oughs> ขอให้มันเกิดในใจของเราคุณสมบัติของใจอย่างหนึ่งที่คุมงานทั้งสองอย่างนี้คุณสมบัติในใจของเราสมบัติเราตั้งใจลงมือทํางานปับคุณสมบัติเหล่านี้จําเป็น ทีเดียวดึงมาเป็นอันดับแรกเป็นเบอร์หนึ่งเลยคือสติธรรมสัมปชัญญะธรรมอเอาสติของเรานะีมาปลุกจิตของเราคือผู้รู้ผู้รู้คือจิตจิตคือผู้รู้สติก็เกิดจากจิตนี่แหละสติก็เกิดจากผู้รู้นี่แหละมันเป็นกิริยาการของผู้รู้ด้วยเหตุที่เรามีผู้รู้ตัวนี้มีความสําคัญเป็นคุณสมบัติชั้นเยี่ยมที่มีอยู่ภายในใจของเรา เราจึงระลึกรู้สึกตัวตื่นโรูอยู่พร้อมทุกระยะทุกเวลาในตัวของเราเนี่ยเราจะบริกรรมหรือเราจะไม่บริกรรมขอให้เราเจาะมาที่กายของเราจาะมาที่ใจของเราจิตของเรามันพร้อมที่จะสงบจาะอยู่กับที่จิตก็สามารถสงบได้แต่จาะอยู่เฉยๆไม่มีงานทําเดี้ยมกระลุลม้ากระดมือท่านจึงให้ทํางานไปด้วย การทำงานก็คือยกจิตของเราขึ้นสู่คำบริกรรมหรือยกคำบริกรรมขึ้นสู่จิตคำบริกรรมก็คือคำที่เราพูดซ้าๆเช่นอย่างพุโทโธพุโทโธพุโทโธเอาพุโทโธมาเป็นเครื่องรันลึกทำให้จิตรู้อยู่กับอารมณ์คือพุโทโธพุทธโธพุโทโธเราก็จะเริ่มเห็นใจของตัวเองจะเริ่มเห็นจิตข อ, อของตัวเองได้รับความสงบ นีความสงบถ้าเรากําหนดจดจอด้วยหลักพิจารณาด้วยมันเป็นเรื่องของปัญญามันเป็นเรื่องของปัญญ า, าสรุปลงแล้วงานทั้งนี้คืองานรวมกันทั้งสมถะรวมกันทั้งวิปัสสนาแต่คุณสมบัติชั้นเยี่ยมที่เราจะเอามาใช้ประกอบกับจิตนั้นก็คือสติธรรมเราระ ล, ลึกมาที่จิตของเราจิตของเรามีสติคํากับควบคุมดูแลไหม ความระลึกรู้สึกตัวนะ่ะรู้สึกอยู่ตรงไหนรู้อยู่ตรงนั้นระลึกตรงไหนรู้ตรงนั้นรู้สึกตรงไหนรู้อยู่ตรงนั้นถ้าเราปลุกจิตของเราให้ตื่นรูอยู่ดยเรียวแรงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มร้อยเปอร์เซ็นตะน่ะตัณหามันจะแทรกจิตของเราไม่ได้จิตของเราจะไม่ถูกตัณหาแทรกขณะนี้เราก็ ตื่นโรูอยู่คณะต่อไปเราก็าพยายามปลุกให้ตื่นโรูอยู่มันปลุกให้ตื่นโรูด้วยอํานาจของธรรมปลุกให้ตื่นโรูอยู่ได้อํานาจของธรรมเราลองปลกุกลองดูปลุกผู้รู้ของเราให้ตื่นคือปลุกจิตนั่นแหละหรือผู้รู้ของเราจิตหรือผู้รู้หรือธาตุรู้หรือมนโนธาตุหรือมนโนวิญญาณธาตุหรือมนายตนะ หรือใจท่านหมายถึงผู้รู้อันเดียวกันที่ท่านเรียกชื่อแตกต่างกันก็เพราะว่าเรียกตามกิริยาอาการพระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติกิริยาอาการของจิตมีมากมายมหาศาลด้วยความฌานฉลาดของพระองค์ถ้าหากไม่มีคำเรียกถ้าหากไม่มีคาเรียกเราก็ไม่รู้จะไปหมายอะไรแต่ว่าแง่ของการตั้งใจปฏิบัตินั้น ท่านจ่อมาอยู่กับของจริงจ่อมาอยู่กับเรื่องจริงคือผู้รู้เราไม่ต้องหมายว่าเป็นใจเราไม่ต้องหมายว่าเป็นวิญญาณเราไม่ต้องหมายว่าเป็นธาตุจ่อผู้รู้จ่ออยู่กับผู้รู้เราลองจ่อลองดูนั่นคือจะถึงจะถึงผู้รู้ตัวจริงบางทีเราก็ไปติดอยู่แต่กับคำสมมุติที่ท่านเรียกทีนี้สิ่งที่เป็นพลังฝ่ายต่า สิ่งที่เป็นฟังฝ่ายต่ำนั้นมันจะคอยมาแทรกขีดของเราทุกระยะทุกเวลาคือกิเลสตัณหากิเลสมันก็เป็นผลิตผลของตัณหาราคะมันก็เป็นผลิตผลของตัณหาโลภะคือความโลภมันก็เป็นผลิตผลของตัณหาโกรธความโกรธมันก็เป็นผลิตผลของตัณหาอิจฉาทิษยาพยาบาทก่อกวนเบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นพิษสงเป็นอำนาจของตัณหา เป็นพิษสงของตันหาเท่านั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นโทษติดมากับจิตของเราโทษนอันนี้ใครติดมาให้เราไม่มีความโลภความโกรธความหลงเนี่ยใครติดมาให้เราไม่มีเราพัฒนามาด้วยตัวของตัวเราเองเพราะจิตของเราแต่ละคนแต่ละดวงไม่ใช่เพิ่งเกิดมาในอัตภาพนี้อัตภาพเดียวสมมติอย่างอัตภาพร่างกายแตกสลายไปปั๊บ จิตของเราไม่ตายจิตของเราเขาไปหาจับจองพบชาติใหม่เป็นมาอยู่อย่างนี้เป็นกับกับเป็นอนันตะกับที่เขาเรียกว่าเป็นสังวัตตกับเป็นวิวัตตกับเป็นสังวัตวิวัตตกับคือระยะเวลาที่น่นนานเป็นอสงงไขกับเป็นอสงไขอสงงไขเราไปเทียบได้ยังไงเรามาเทียบดูกับพระพุทธเจ้าเวลาท่านบรรลุธรรมปุเพนิวาสานุสติญานเนี่ย สามารถระลึกถึงพบชาติของพระองค์เบื้องหลังได้ลึกไปย้อนไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบเป็นกับกับเป็นสังวรตะกับเป็นอสงไขยกับลึกไม่ไม่จบไม่สิ้นเคยเกิดเป็นสัตว์เคยเกิดเป็นคนเคยเกิดเป็นเทวดาเคยเกิดเป็นพระอินเคยเกิดเป็นพระพรหมเคยเกิดเป็นอะไรสูงสูงต่ำๆเกิดเกิดเป็นสัตว์ตัวเล็กตัวใหญ่เกิดผ่านมาทั้งหมดจิตคือผู้รู้คือธาตุรู้ดวงนี้ไม่ใช่มันจะสิ้นสุด แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านชะล้างจิตดวงนั้นจนบริสุทธิ์แล้วผู้รู้ของพระองค์ก็ไม่ดับสูญหายไปไหนยังมีอยู่ในโลกผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมถ้าจิตที่บริสุทธิ์นั้นพาดพิงกับสมมติอผู้ที่มีทิปจักรสุทนั้นถึงจะมองเห็นเหมือนอย่างพระอนุรุทธะเนี่ยมองเห็นมองเห็นความบริสุทธิ์ของทารุณ ถ้ารู้มีความบริสุทธิ์อยู่หนึ่งเดียวคือถ้ารู้ของพระอรหันต์แต่จิตของพวกเรานั้นเป็นจิตที่ปนเปื้อนปนเปื้อนกับสิ่งไม่รู้นั่นแหละที่เขเรียกว่าอาวิชชาอาวิชชามันปนเปื้อนมากับจิตของเราอาวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้สึกเนื้อไม่รู้สึกตัวไม่รู้ผิดไม่รู้ไม่รู้ชอบไม่รู้จริงไม่รู้ปลอมรู้แต่ของปลอมไม่รู้ของจริงอวิชชาถ้าเราจะ พูดถึงคุณสมบัติของใจก็คือใจมืดใจมืดใจบอดขาดสติขาดปัญญาไม่มีความรู้เท่าทันเหตุเพื่อผลที่เที่ยงแท้แน่นอนคือทราบเหตุผิดไปจากผลทราบผลผิดไปจากเหตุถ้าเป็นเรื่องของอวิชชาแต่ถ้าเป็นเรื่องของวิชาวช า, าวิชชาอวิชชาเหมือนความมืดอวิชชาเป็นความมืดของใจ แต่ถ้าหากเราตั้งใจกำหนดจดจอ่อปลุกจิตของเราให้ตื่นรูอยู่จิตของเราเนี่ยเข้าถึงวิชาวิชาบแล้วว่าความรู้เอาอะไรไปกำกับจิตของเราถึงจะตื่นเอาสติธรรมเอาสัมปชัญญะธรรมเหมือนอย่างที่เราตั้งใจบริกรรมภาวนาพุโทโธพุโทโธปลุกจิตของตัวเองให้ตื่นรู้ทุกระยะทุกเวลาถ้าจิตของเราไม่ตื่นจิตของเราจะหลับหลับไหลลุ่มหลงเดี๋ยวความโลภก็แทรกเข้ามา ความโลภเป็นเป็นลูกสมุนของตันหานความโกรธเดี๋ยวความโกรธกระแทกเข้ามาเป็นลูกสมุนของตันหาเราดูไปที่นิวรณที่ท่านพูดไว้ว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการตั้งใจภาวนาเนี่ยกาม่ฉันทะเนี่ยนั่นนึกถึงความความรักแหละการไมฉันท์นึกถึงพยาปาทะนึกถึงความชังถ้าไม่มีถ้าไม่ใช่ความรักมันแทรกเข้ามาก็ความชังกระแทกเข้ามา ถ้าไ ม, ไม่ใช่ความรักไม่ใช่ความชังนะความสงสัยความงงเงาหาวนอนความ ล, ลังเลสงสัยในคุณพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทําให้จิตของเราไม่ได้อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวที่เราปลูกฝังให้กับจิตของเราแต่ถ้ า, ากเราตั้งสัจจญาณิฐานตั้งอกตั้งใจย้ายจิตของเราสงบนิ่งอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวก็ขอให้เราตั้งอกตั้งใจดํารงตนอยู่อย่างนั้นน่ยตั้งใจเต็มร้อยเกินร้อย งานการทั้งหลายที่เราทํานะเราไม่จําเป็นจะต้องตั้งใจทําเต็มร้อยเมื่ออยากเราเซ็นหนังสือเราเขียนหนังสือเนี่ยเมืที่เราเขียนไปคุยไปก็ได้เราเซ็นไปเราคุยไปก็ได้แต่งานภาวนาเนี่ยใช้อยู่กับเรื่องเดียวเอาจิตมาใช้อยู่กับเรื่องเดียวนี่ใช้หลายอย่างไม่ได้การแบกบการหามการทําน่ทนทํานียกของหนักของเบาอะไรตัวไรที่เราทําเนี่ยในขณะเดียวกันเราทําอย่างหนึ่งเราคิดอีกอย่างหนึ่งก็ได้ เราทำอย่างหนึ่งคือคิดอีกอย่างหนึ่งได้เหมือนอย่างเราถูพื้นเราซักผ้าเราล้างถ้วยล้างจานในขณะที่เราทำงานมือเราก็ทำไปใจเราคิดเรื่องอื่นก็ได้แต่การตั้งใจภาวนาทำอย่างนั้นไม่ได้ไม่ทันไม่ทันตัณหา ม, มันสวมรอยเราตั้งใจไม่เต็มร้อยตัณหามจะสวมรอยต้องตั้งใจเต็มร้อยรสว่างรตลอดแล้วก็ปลุกทุกขณะจิต อย่าลืมว่าจิตของเรามันเป็นขณะขณะนะมันเป็นขณะเป็นขณะเป็นขณะเหมือนอย่างเราว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธความรู้ ย, ب, ยับยับยับนิดแหละที่จะเรียกว่าเป็นขณะของจิตอ่ถ้าหากขณะที่เราตั้งเอาไว้พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธมันอ่อนไปเรียวแรงมันอ่อนไปเดี๋ยวตัณหามันจะมาทํางานแทนที่แหละตัณหานี่มันจะมาทํางานโดยอัตโนมัติของมันเป็นธรรมชาติของมัน เพราะมันอยู่กับจิตดวงนี้จนช่ําชองมาแล้วกี่กับกี่การกีปุเรชาติมาแล้วเราทราบไม่ได้เนื่องจากพวกเราเกิดตายเกิดตในวัฏฏะสงสารนี่นับพบนับชาติไม่ครบไม่ถทวนอืพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระองค์อุบัติรู้จักว่าพระองค์องค์เดียวท่านเราดูที่ายามถ้ากลางพระองค์บรรลุจตูปปาจยานเห็นพบเห็นสัตว์ทั้งหลายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตา ย, ตายทำกรรมนุ่นมาเกิด ด้ยเหตุที่ทำกรรมนั่นมาเกิดเป็นนี้ดยเหตุที่ทํากรรมนี้จะไปเกิดเป็นนู้นพระองค์ทราบได้หมดว่าคนที่จะมาเกิดนั้นไม่ใช่มาเกิดตามตามใจชอบมาเกิดได้ด้วยบุญด้วยกรรมที่จะเจ้าของกระทํากระทาด้วยพฤติกรรมที่กายกระทาด้วยพฤติกรรมที่วาจากันทาด้วยพฤติกรรมที่ใจพฤติกรรมเหล่านี้แหละที่ที่จเรียกว่ากรรมกรรมกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมเนี่ยที่เรียกว่าทวารหรือประตู ประตูกายกายทวารประตูวาจาไวจีทวารประตูใจมะโนทวารทวารแปลว่าประตูประตูแปลว่าทวารแปลว่าช่องเป็นช่องหรือเป็นทางที่ทําให้เราเอามาทำกรรมกรรมนี้เราจะอยู่คนเดียวเราจะอยู่กับคนหมู่มากอยู่ในที่ลับอยู่ในที่แจ้งเราทํากิริยากายมันก็เป็นกายกรรมถ้าเป็นกรรมที่จะต้องตามส่งผล ในพบสืบสืบต่อไปหรือในวันสืบสืบต่อไปข้างหน้าหรือในพบสืบสืบต่อไปข้างหน้ากรรมอันนี้มันไปจะค่อยเล่นคอยเล่นงานเราตามหลังวาจาคําพูดก็เช่นเดียวกันรวมไปถึงใจใจถ้าใจนึกผิดนึกผิดไม่นึกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสัจธรรมจิตก็จะพานึกออกนอกลู่นอกทางฮะนึกออกนอกลู่นอกทางมันนึกไปเพื่ออะไรมันนึกเพื่อรักมันนึกเพื่อชังมันนึกเพื่อโกรดนึกเพื่อเกลียด นี่คือความนึกคิดของใจความนึกคิดแบบนี้ท่านเรียกว่าใจเป็นมิจฉาทิฏฐิความนึกความคิดเป็นนิเป็นทิฏฐิมันนึกผิดคิดผิดไม่ได้นึกคิดตามสัจจะคือความจริงที่มีปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเราไม่ได้นึกอย่างนั้นนึกเอาตามใจชอบของตัวเองตามอําอนาจของกิเลสตัณหามันเสแสง้งแกล้งให้จิตตรงนั้นนึกอย่างนั้นคิดอย่างนั้นตามใจชอบของมันในที่สุดก็ไม่ได้รู้จักข้อเท็จจริงอะไรละ ถูกมันหลอกไปเป็นวันเป็นวันเป็นวันหากเป็นธรรมชาติมันเพราะบางกลับบางพบบางชาติที่เราไปเกิดเราไม่ได้ไปเกิดในที่ที่มีพระพุทธศาสนาตลอดไปที่ไหนเรามาคิดดูได้ว่าบางกลับบางกลับเนี่ยเราไปเกิดบางกลับไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาอบัติเลยเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้ามาเกิดเลยเนี่ยไม่รู้จะใครจะเอาธรรมะรมาสอนพวกเรา กิเลสมันก็ปลุกฝังจิต ด, ดวงนั้นจนแน่นหนามั่นคงเป็นน้ําหมักน้ําดองอยู่ในภพชาติเหล่านั้นไม่จบไม่สิ้นจนเป็นนิสัยจนเป็นอุปนิสัยเป็นอุปนิสัยอุปนิสัยช่ําชองของมันก็คือแสดงกิริยาแห่งความโลภความโกรธราคะตัณหามีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนี้ในวัฏสงสารเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีความผูกพันกันความโลภอยากได้แล้วก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาความโกรธ ไม่ชอบใจผลักออกไปผลักออกไปนะรวมไปถึงราคะตันหาที่เป็นความผูกพันกันระหว่างพบระหว่างภูมิระหว่างชาติระหว่างกาเนิดนะสัตว์เขาก็มีมนุษย์เราก็มีจริงๆเหล่านี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มภูลเผ่าพันธ์ของตัวเองไม่จบไม่จบถ้าเราจะเทียบไปที่ต้นไม้ ต้นไม้ใบหญ้าทั้งหลายทั้งปวงมันมีพันธุ์ของมันมันมีเมล็ดมันมีพันธุ์พอเวลาต้นเก่ามันจะตายมันก็มีมีหมากมีเมล็ดของมันพอได้ความอุดมสมบูรณ์ได้ความชุ่มชื้นขึ้นมามันจะงอกออกมาเป็นต้นใหม่ต้นไม้ก็เช่นเดียวกันมันก็มีดอกแล้วก็มีผลในผลนั้นมันมีเมล็ดเมล็ดนั้นมันพร้อมจะไปเจริญเหมือนอย่างมะม่วงเงี้ยมันมีต้นหนึ่งต้นนี้ต้นนี้เพิ่งเริ่มมีมีหมากเนี่ย เริ่มมีหมากมันก็เริ่มมีหมากมันก็มีผลมีผลแล้วก็สุกของหมามันก็มีมเมล็ดนะต้นเก่ามันยังอยู่เรามเมล็ดใหม่ไปเพาะไปปลูกมันก็เกิดเป็นต้นใหม่ขึ้นใหม่อีกถึงแม้ว่าต้นเก่าเขามันจะตายไปแต่มันก็ส่งลูกส่งต่อต่อต่อ ต, อ ต, อตอไปกับมเมล็ดนั้นมเมล็ดนั้นมเมันภพชาติของเราก็เช่นเดียวกันอาศัยเยื่อใหญ่ของกรรมกรรมที่เราทํามากี่พ่อพีชาตินี่แหละเป็นแรงผลักดันให้เราเกิดตายเกิดตายเกิดตายไม่จบไม่สิ้น แต่หากเปลี่ยนไปเป็นพบเป็นภูมิสูงบ้างต่ำบ้างยาบ้างละเอียดบ้างทุกยากลาบากตกนรกหมกไม่แล้วแต่พฤติกรรมที่เราจะทํานี่ท่านให้เรามาสํานึกมรลึกรู้สึกตัวเองอมาเภาหนายใจของเราได้รับความสงบเรามีความจําเป็นยังไงที่เรามาตั้งใจเภาหนายใจของเราได้รับความสงบใจของเราไม่ได้รับความสงบเพราะตัณหามันแทบใจของเรามันเอาใจของเราไปใช้ ใช้อย่างหนึ่งพิษสองของมันใช้อย่างหนึ่งให้เราโลภให้เรากโกรธเนี่ยนอกจอากโลภแล้วก็โกรธไอ้แค่ความโลภ ก, กับความโกรธแค่นี้นะ่ะมันทําความวุ่นวายให้กับชุมชนกับสังคมกับตัวของเราเองมากน้อยเท่าไหร่เราพิจารณาดูเถอะสมมุติอย่างม น, าานนมนุษย์เราที่เบียดเบียนกันมนุษย์เราที่เบียดเบียนกันกใช้อชนะไร เ, เบียดเบียนกันก็ใช้กายนี่แหละเบียดเบียนกันใช้วาจาคําพูดนี่ละเบียดเบียนกัน ก่อนที่จะมันแสดงออกไปที่กายออกแสดงออกไปที่วาจามันกระจายความใช้ความนึกความคิดอนะคิดเบียดเบียนกันเห็นไหมหเขารักกันเขาฆ่าสัตว์เขารักทรัพย์กันเขาเริ่มพูดผิดในายกามกันเนี่ยนี่มันเกี่ยวกับเรื่องศีลแล้วก็พูดจาตลบตะแหลงโกหกหมดเท็ดพูดซ้อเสียดพูดยุยงส่งๆให้แตกร้าวความสามัคคีปรองดองซึ่งกันและกัน สิ่งเหล่านี้แหละมันนึกมันคิดอยู่ในใจเสร็จแล้วมันทะลักออกมานึกคิดอยู่ในใจเสร็จแล้วทลักออกมาที่กายเอากายไปทำแหละนะเบียดเบียนกันแล้วถึงฆ่าถึงทุบถึงตีเอาวายจาไปเบียดเบียนกันแล้วดาทอนี่ซึ่งกันและกันนี่มนุษย์เราถ้าเบียดเบียนกันแล้วมันถูกตัณหามันแทรกเข้าไปในหัวใจแล้วมันคิดทําให้เราเบียดเบียนกันทําไมต้องเบียดเบียนเนื่องจากว่า หัวใจของใครของใครก็อยากได้อยากได้ด้วยอำนาจของความโลภด้วยราคะตันหาเนี่ยก็มีความแสวงหาไม่รู้จักพอไม่รู้จักประมาณในเมื่อเราก็แสวงหาเขาก็แสวงหาสิ่งที่แสวงหาก็ต้องอยื้อแย่งกันต้องแข่งขันกันต้องอยื้อแย่งกันต้องแกล้งกันสารพัดต้องหาบายายหวิธีเพื่อที่จะเอาชนะให้ได้นี่คือถ้าตันหามันแทรกแล้ว สิ่งเหล่านี้มันมันนาทุกนําโทษมาสู่สังคมสู่ชุมชนสู่หัวใจของเราเราประกอบอย่างไดอย่างหนึ่งตามมันลงไปกลายเป็นวิบากกรรมติดเนื้อติดตัวลองไปฆ่าสัตว์ลองดูซีสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่รวมไปถึงฆ่ามนุษย์ลองดูเป็นเวรเป็นภัยเป็นบาปเป็นกรรมเจตนาก็มีกรรมไม่เจตนาก็มีกรรมน ะ, ะเจตนาก็มีกรรมเอ้ไอ้เม็ดเจตนาเน่ยมีกรรมไหมลัทธาเจ้ทัศททนทรงตรัสว่า เจตนาหางพิกเวกำมังวดามิพิสุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมพระพุทธภาษิตอันนี้ก็ยืนยันก็ยืนยันส่วนหนึ่งภาคหนึ่งพระองค์ทรงยืนยันเจตนาหางพิกเวสีหลังวดามิพิสุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นตัวสินเจตนาหังพิกเวกำมังวดามิเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมอันนี้หมายความว่า กรรมที่ทําด้วยเจตนาเบาก็ให้โทษเบาแรงก็ให้โทษแรงแม้แต่ไม่ได้มีเจตนากรรมก็ให้ผลได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นไม่ได้เจตนานะกรรมให้ผลได้เช่นเดียวกันเช่นอย่างพิกษุท่านเย็บผ้าเนี่ยท่านเย็บผ้าเนี่ยปลายเข็มของท่านไปถูกตัวเลนไปแทงเอาตัวเลนเลนที่มันเกาะอยู่ในผ้านะท่านไม่เห็นหรอกไม่รู้ว่าตัวเลนมันตายเพราะปลายเข็มของท่านนะฮะ ไอ้เจ้ากรรมตัวเล่นอะตายไปแล้วตายไปแล้วตายปุ๊บเกิดปับ๊บไปเป็นคนไปเกิดเป็นคนไปเข้าท้องท้องคนนันน่ะไปเกิดเป็นคนเกิดในะแวกในแวกในละแวกที่พระองค์นั้นอยู่นั่นแหละนี่สมัยพุทธกาลนะเรื่องเนี้ยไปในในโลกที่พระองค์นั้นอยู่พอไปเกิดเป็นคน <ishing> เป็นผู้ชายอา่เกิดมาแล้วตายปุ๊บเกิดปั๊บตายปุ๊บเกิดปั๊บพระองค์นั้นอย่างอัตภาพเดิมแต่เล่นตัวนี้ จากเล่นาไปเป็นคนแน่แสดงว่ากรรมดีของเขายังมีอยู่พอโตขึ้นมาเขาเป็นนายพรานอายุสิปีสิบเอ็ดสิบ1อสามสี่สิ้าสิบหปีเป็นนายพรานนายพรานก็ชอบล่าสัตว์นะอตอนเช้ามานายพรานก็เข้าป่ า, าพระตอนเช้ามาพระก็เข้าบ้านนายพรานก็เข้าป่าเดินสวนทางกันเป็นประจำว่า ง, งั้นเถอะมีอยู่วันหนึ่งนายพรานเขาไปล่าสั ต, ต, ตว์ไม่ได้ไปล่าสัตว์ทั้งวันไม่ได้อะไรมาเลย อาวุธของเขาก็คือหอกเล่มเดียวหอกเล่มเดียวแบกมาและวันนั้นเดินกลับบ้านพระก็เดินจากบ้านเข้าป่าสวนทางกันพอในพรานก็เห็นมองเห็นพระแต่ไกลแบกหอกมานะเห็นพระแต่ไกลเอ้ยวันนี้เราหาสัตว์ไม่ได้สักตัวเลยนะเนี่ยพอได้เห็นพระแต่ไกลวันนี้รู้สึกอยากกราบพระวันนี้นะ่ะหมายหมายไว้ว่าไปถึงนี่จะกราบพระแต่ว่าพระองค์นั้นน่ะเหมือนกระถูกกรรมบรรดาล พอพระมองเห็นนายพรานปั๊บเกิดความกลัวขึ้นมาที่กรรมมันบันดาลทั้งทั้งที่กรรมนั้นอ่ะมันเป็นกรรมที่ไม่รู้สึกตัวได้ซ้าไปไม่มีเจตนานะอืมพอเกิดความรู้สึกกลัวกลัวเขาเห็นเห็นเขาแบกหอกน่ะรู้สึกกลัวพระองค์นั้นนะหลบไปอยู่ข้างพุ่มไม้ในพรานพอไปถึงตรงนั้นเอ๊ะเราตั้งใจจะกราบพระตรงนี้เองเนี่ยถ้าเรามาเจอกันก็ตรงนี้เองรู้ท่านหลบหายไปไหนน่ะหรือท่านจะกลัวหอขกเราโยหนหอกทิ้งก็ไปในป่า ไปที่ผู้หมายไปแทงพระตายฮะนายพรานก็ไม่เจตนานะหอกมันมันไปทิ่มไปใส่ในไ ป, ไปสิ้มไปใส่พระตายสมัยพระท่านเย็บเย็บยีวรแล้วไปถูกตัวเลนตายพระท่านก็ไม่รู้เรื่องท่านก็ไม่มีเจตนาอันนี้ครูบาอาจารย์ท่านเอามาเล่าให้ฟังในแง่ที่ว่าคำที่ไม่ได้เจตนามันก็ให้ผลให้ผลถึงตายเหมือนกันเห็นไหมตัวเลนก็ตาย เวลาพระท่านโยนหอเข้าป่าไปพระก็ตายเนี่ยแต่ไม่มีเจตนาต่างคนต่างไม่มีเจตนานะเราเห็นไหมกรรมมีเจตนาก็ก็ให้ผลไม่มีเจตนาก็ให้ผลแต่ถ้ามีเจตนามันเป็นกรรมที่รุนแรงเหมือนอย่างพระเทวทัตเนี่ยทํากับพระพุทธเจ้าเห็นไหมรุนแรงไหมแผ่นดินหนักจนทนอดแบกไม่ได้นะเนี่นะ แยกออกมาตกลงไปเลยเนี่ยดูดซึบๆๆๆแผ่นดินสูบมันสูบลงไปเลยแหละเพราะอะไรเพราะบาเพราะกรรมของตัวเองนี่ยึดกรรมกรรมมันรุนแรงตกนรกอเวัยจีอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมทําอนันตริยกรรมกับพระพุทธเจ้าหลายอย่างหลายเรื่องพระเทวทัศน์นั่นแนหะเพราะฉะนั้นท่านจึงถูกแผ่นดินสูบแผ่นดินสูบลงไปแล้วก็นู้นลงไปอาวจีมหานรก ไม่มีภพอื่นมาขั้นนะไม่ใชไ่ไปตกนรกชั้นนั้นก่อนแล้วก็ค่อยลงไปเอเวจีมหานรกนะตกเป็นโน้นเป็นโน้นเป็นโน้นค่อยกว่าจะถึงเอเวจีมหานรกหรือ ล, ลงสู่เ อ, เอเวจีมหานรกเลยไม่มีภพภูมิอื่นมาขั้นได้ท่านจึงเรียกว่าอนันติยกรรมอนันติยกรรมกรรมที่ไม่มีกรรมอื่นมาขั้นได้นี่มันหนักหนาสาหัสหถึงขนาดนั้นฉันยกตัวอย่างเช่นอย่างข่าพ่อข่าแม่ข่าบิดาฆ่ามารดาข่าพระอรหัน ทำทําให้พระพุทธเจ้าห่อห่อโลหิตเป็นช้าเลือดช้าหนองเนี่ยเหมือนอย่างพระเทพรัตนอ็กลิ้งก้อนหินใส่พระพุทธเจ้าน่ะก้อนหินกระเด็นไปกระทบพระบาทพระองค์นิดหน่อยห่อหอ่อช้าเลือดช้าหนองน่งนะนี่เขาเรียกว่าทําโลหิตตุบาทโลหิตตุบาทนี่นก็อนันตริยกรรมแยกสงก็อนันตริยกรรมพยายามจะฆ่าพระพุทธเจ้าก็อนันตริยกรรม อนาจักกรรมคือตาแล้วต้องเลี้ยวอเวจีนรกลึกสุดประมานคําว่าอเวจีนั้นนะ่ะไม่เงียบเสียงของสัตว์ที่คร่าครวญที่ถูกทรมานอย่างเขาเล่าถึงพระเทวทัตนะว่าพระเทวทัตอยู่ในอเวจีมานรกน ะ, ะมีเหลาถ้ำเท่ากับลําตาลโอเหลาเท่าลําตาลแทงหน้าอกทะลุหลังก็แสดงว่าตัวสัตว์นรกตัวนั้นต้องใหญ่สิ เหล่าถึงจะทําเท่าลําตาลแทงหน้าอกทะลุหลังนะแล้วก็ข้างหลังก็ถูกถูกตรึงไว้ทั้งปลายทั้งนั้นก็ถูกตรึงไว้อีกทั้งสองข้างถูกตรึงไว้เหมือนกับถูกปิ้งพระเทวทัศน์อยู่อย่างนั้นแหละทีนี้เปลว เ, เพลิงพุ่งมาจากสี่ทิตศเนะ่ยเปลวไฟพุ่งมาเหมือนกับอะไรเหมือนกับเข้าสู่อันนั้นอ่ะเขาสู่อันนั้นตีเหล็กนะสูบสูบอันนันสูบไฟตีเหล็กนะมันร้อน แดงโรค อ, อย่างงั้นเอาแล้วทำไมไม่ตายตายไม่ได้ถูกกรรมเลี้ยงเอาไว้แล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเนี่มากมายมหาศาลนะในนรกเนี่ยนะบางทีร้อยปีของเราเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาดูสิมาทรมานหนักหนาสหาหัสขนาดไหนเรื่องของอโลกสวรรค์เรื่องของโลกสัตว์นรกเนี่ยมันจะมีมันจะมีระยะเวลาที่นานมากกว่าเรา เหมือนอย่างท่านพูดท่านพูดถึงโลกสวรรค์ชั้นจาตุมชั้นดาววดึงนี้เนี่ยร้อยปีเราเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาชั้นดาววดึงห้าสิบปีของเราเท่ากับชั้นจาตุมวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาห้าสิปีกับร้อยปีดูสิมันเท่าไรละพวกเราอยู่กันถึงอายุเยอะอายุร้อยปียไหมม่ถึงครึ่งหนึ่งของวันของเขาด้วยซ้ําไปนะเพราะฉะนั้นเราจึงจําไม่ได้ตายไปแล้วไปเกิดเป็นสนรกอย่นี้โอ้จําไม่ได้ดอก ต, า ย, ตายไปแล้วไปเกิดเทวดาลงมาแต่มีดีกรีหน่อยมีคุณสมบัติของใจหน่อยไม่รู้จักดอกนะเพราะอะไรเพราะระยะเวลามันเนิ่นนานดูแต่ว่าบริษัทบริวารของพระอินทนะพระอินพาไปเที่ยวสวนนันทาวันนั่นนางนี่เล่นเพลินสนุกไปยังไงไม่รู้น่ะเกิดจุติคำว่าจุติก็คือเคลื่อนจากสวรรค์น่ะจากสวนนั่นน่ะลงมาอุบัตในมนุษย์โลกโอมามีครอบมีครัว ม, มีลูกทั้งสามสี่คนนั่นน่ะ มีลูกทั้ง 3-4 มคนพอระลึกได้พอระลึกได้เลยอธิษฐานอธิษฐานตายอายุไขก็พงคงชฉพบอกระมานตั้งความปรารถนาขอให้ตายไปแล้วได้ไปเกิดกับพระอินทร์เหมือนเดิมง้นในที่สุดเ็เลยตายตายไปตายไปไปพบเขายังอยู่ที่สวนเลยเจ้าของนี่มอุบัติในโลกมนุษย์มีลูกทั้ง3ามี่คนแล้วเนร่ะพอกลับขึ้นไปเนี่ยเขายังไม่กลับ เขายัางไม่กลับวิมานของใครของเราเลยนะยังอยู่ที่สวนเลยแสดงว่ายังไม่ถึงหนึ่งวันในส้ําไปที่มาอยู่แค่นั้นนี่คือระยะเวลาที่เนิ่นนานการที่เราไปทุกทรมานอยู่ในนรกก็เหมือนกันนะฟังแต่ว่าโลหะกลมพีนี่ยน่ย น, นะหม้อต้มสัตว์นรกนะ่นะมันพัดน้ํามันเดือดมันพัดสัตว์นรกนะั่นะจากปากหม้อไปถึงก้นหม้อสนอะงห 0,000 ปีน้ํามันเดือดนะ ถ้าใครเคยต้มน้ําเดือดเดือดเราใส่อะไรต้มเราจะเห็นนะมันเดือดมาเราจะเห็นแล้วมันจมลงไปแล้วก็โผล่ขึ้นมาอีกจมลงไปก็โผล่ขึ้นมาอีกจากปากหม้อไปถึงก้นหม้อสอง0 0ื่นปีถูกน้ําในหม้อทองแดงพัดจากก้นหม้อมาถึงปากหม้อสองหมืปีตัวโอ้ดูสิมันขนาดไหนสองห0ื่นปีของเขามันไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรของเราก็ไม่รู้ทรมานกันอยู่อย่างนั้นนี่เรื่องที่ท่านพูดไว้ในชาติ ต่างๆตามเปตวัตถุต่างๆที่มีอยู่ในปไัยพิดกไม่ใช่ว่าท่านจะมาเขียนเขียนเขียนเขียนเขียนเสือให้วัวกลัวไม่ใช่ท่านมาเขียนเสือให้วัวกลัวนะไม่ใช่นะวันก่อนเราพูดธรรมะไปเราบอกว่าเขียนวัวให้เสือกลัวมันออกไปได้ยังไงเขียนวัวให้เสือกลัวเสือที่ไหนมันจะมากลัววัวคาพังเพยเขาเขาบอก เขียนเสือให้วัวกลัวเหมือนกับว่าบุรัโบราเนี่ยโกหกเราเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าโกหกเราแท้ที่จริงเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องอะไรต่ออะไรเลยพระพุทธเจ้าท่านเป็นคนเป็นผู้อมตะเรื่องอดีตชาติชาตินั้นชาตินั้นชาตินั้นอดีตนิทานต่างๆอย่างเช่นอย่างพระเจ้าห้าชาติเนี่ยพระองค์ก็พูดถึงอดีตประวัติของพระองค์ที่เอามาเล่าให้พวกเราฟังแล้วก็ย้อนไปได้หมดพระสาวกองนั้นองค์นั้นองค์นั้นย้อนลึกไปไม่รู้จจบ ชาตินั้นเกิดเป็นั่นชาตินั้นเกิดไปนั้นเชื้อนั้นเกิดไปนั่นก็เหมือนอย่างพระองค์ท่านเลือกพระจุลบันทกเนี่ยนะพระจุลบันทกบวชมาเนี่ยตลอดพรรษาเนี่ยพี่ชายให้ท่องคาถาสองแถวเนี่ยท่องไม่ได้ปึกขนาดนั้นนะพระจุลบันทกพระออก์พันสาพี่ชายก็เลยทรมานหมอชีวกเนี่ยนวลพระเจ้าพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นพระมุขประธานไปไปเสวยไปฉันพัตนาอันที่สวนสวนหมอชีวกแต่ว่า พระมหาบรรทกเนี่ยเป็นพระัตุเทศเป็นผู้จัดพระไปไม่บอกไม่บอกน้องชายของตัวเองเลยน้องชายก็เลยเสียใจมากพอเช้าวันนั้นขึ้นมาทั้งพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายท่านก็ไปที่สวนหมอชีวกแต่พระจุลบรรทกเนี่ยออกหลังวัดพระพุทธเจ้าอยู่ในเร雷达ของพระพุทธเจ้าหมดพระพุทธเจ้าก็ไปดักในระมิดของในระมิดพระองค์ไปดักเธอจะไปไหนจะไปศึกปริยาคาะอ้าวไปศึกทําไมอ่า ได้รับความอับอายพี่ชายพี่ชายไม่ให้ไปฉันในที่นี่มนอืมก็เลยอยากจะไปสึกเอา้าเธอไม่ได้บวชอุทิตพี่ชายเธอเนี่ยนะเธอบวชอุทิตเรามานี่มานี้มานี้พระ อ, องค์ก็เนรมิตผ้าขาวมาให้บริกรรมนั่งอยู่ตรงนี้นะภาวนายอย่างนี้นะ่ะบริกรรมอย่างนี้นะระชวลนังระชวลนังมือข้างซ้ายก็เอาผ้าขาววางไว้พุทธายเนรมิตมาให้มือข้างขวาเข้ามาลูบผ้าขาวนะ่ะแล้วก็บริกรรมอยู่อย่างนั้น นี่นี่คือวิธีการของพระพุทธิจ้าท่านสอนนะระโชว์นังระโชร์ลูกไปลูกไปลูกไปลูกไปลูกไปไอ้ผ้าขาวผ่องนะเริ่มมองลงมองลงมองลงมองล ง, ง, ล ง, ง, ลงเกิดปัญญาเห็นความสกปรกของร่างกายของตัวเองโอ้ร่างกายของเราสกปรกขนาดนี้นี่ร่างกายสกปรกขนาดนี้พระเจ้ากเลยเนร ม, มิตเป็นเรื่องของฟิปัสนามาให้พิจรารณาพิจรารณาปึง้งเดี๋ยวได้ลู้เป็นผ้าอาหันทันทีแนะ่พี่ชายตลอดสอนตลอด3เดือนอะคาถา คาถาสองแถวจนะี่จไม่ได้ปะดมังโกโกนุ ด, ดังสุขันธทางปาโตสียังภูรมาวีตะกันทั้งอังธีรัสั่งปัสสะวิโรจมานาตะปันตามาดิจจะมิวันตรลิเทเนี่ยพูดชมพระสมะีความสว่างสมัยของพระพุทธเจ้าคาถานี่นะเป็นคาถาชมแค่นี้จำไม่ได้สามเดือนจำไม่ได้แต่พระพุทธเจ้า ท่านมาสอนสอนแป๊บเดียวได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์พอเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็พร้อมด้วยฤทธิ์ที่เรียกว่าวิชาพลิกจิตนะพอถึงตอนนั้นแหละที่สวนหมอชีวอยวก็แจกพรัฒนาเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วกำลังจะให้พรพระพุทธเจ้าท่านททรงตรัสว่ายังมีพระอยู่ยังมีพระอยู่ที่วัดให้ไปตามยังมียุพระอยู่ที่วัดหนึ่งองค์เขาก็าไปตามพอไปตามที่ไหนได้พระจุลมังถกเนรมิต เป็นพันองค์เลยอยู่ที่วัดนะท่านบรรลุได้วิชาพลิกจิตได้เนรมิตนึกใยญยก็เป็นอย่างนั้นจากหนึ่งองเนรมิตเป็นพันองค์ทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทั้งปัดกวาดทั้งเช็ดทั้งถูทั้งทำนู่นทำนี่เต็มไปหมดคนที่ไปดูโอ้ไม่ใช่พระหนึ่งองพระเต็มวัดเลยกลับมามาบอกว่าไปเรียกพระจุลบันทกนะไปพอกลับให้กลับไปใหม่ไปเรียกจุลบันทกองนั่งกับจุลบันทกองนั่งกัจุลบันทกเต็มไปหมดกลับมาอีกไม่รู้จะเอาใครอ่ะ อ๋อโอ้ยพระจุลปันถตกเต็มไปทั้งหมดเออใครว่าจุลปันถตกไปจับมือคนนั้นไปรอบพิษามา <c oughs> ใครว่าจุลปันถตกไปจับมือคนนั้น <c oughs> นอกนั้นก็หายหมดแน่ได้พระจุลปันถตกไปฉันไปฉันพัฒนาหาร <c oughs> เสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงย้อนอดีตพระจุลปันถตกอดีตชาติเคยเป็นพระราชาเป็นพระราชาทีนน่นั่งช้างทรงช้างเลียบเมือง เราเวียนเมืองดูเมืองดูบ้านดูเมืองว่างั้นเถอะทีนี้แดดมันร้อน <c oughs> แดดมันร้อนเอาผ้าผ้าเช็ดหน้านะมาเช็ดใบหน้าของตัวเองเหงื่อมันออกเนะ่ยเช็ดเชดเช็ดไปเช็ดมาพอเห็นผ้าของตัวเองอดําปี๊ซ้าหมองเนี่ยเพราะว่าเหงื่อมันแตกมันโชกมาที่ใบหน้าเนี่ย <c oughs> เลยเกิดสรดสังเวชใจขึ้นมา <c oughs> ที่ฉันเรียกว่าได้ปฏิกูลสัญญาได้ปฏิกูลสัญญา ปฏิกูลสัญญาได้ตั้งแต่อดีตชาติตั้งแต่เคยเป็นตั้งแต่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าทัานย้อนไปโดยเฉพาะส่วนตัวเนี่ยย้อนไปก็เห็นเลยเอาของเก่ามาผสมกับของใหม่ให้ปัจจุลมันถกได้ทํางานเห็นไหมพระพุทธเจ้าเลยเนรมิตผ้าขาวมาให้บริกรรมบริกรรมไปบริกรรมไปนิสัยเก่าที่เคยได้ตั้งแต่สมัยนั้นมันมาเชื่อมต่อกับนิสัยใหม่คือผลเก่ามาเชื่อมต่อกับผลกรรมใหม่ ก็เลยถ้าให้ท่านเพิ่มความสลดใจเข้าไปอีกทีนี้มันก็จิตมันก็สลดมันก็โหดหูมันก็มันก็สงบนิ่งอยู่เฉพาะตัวนี่พระองค์ก็เนรไม่ได้เกิดวิปัสสนามาพิจารณาในแง่ของวิปัสสนาบรนลุบปึ้งมรนลุทําตามที่รู้ที่อาจารยทรงสอนนี่ท่านย้อนอดีตอ่ก็เหมือนอย่างย้อนอดีตของพระพายยะเนี่ยทําไมพระพายยะจึงบรรลุธรรมได้เร็วอันนี้ท่านก็ย้อนอดีตอ่าสมัยเมื่อ พระพายะเคยบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งตอนนั้นตั้งอกตั้งใจบําเพ็ญเพียรอย่างมากเลยเจ็ด อ, องค์พากันนัดเอาเป็นเอาตายตั้งใจเผานาเอาเป็นเอาตายเลยมันมีภูเขาลูกหนึ่งมีลักษณะคล้ายคลยคล้ายๆเห็ดนะมันมีลักษณะข้างล่างเล็กแล็วกว่าบานโตข้างบนแล้วก็เอาไม้ไปพาดเป็นพระโอเอาไม้ไปพาดระคืนเพราะหลังจาก ตั้งเจ็คนน่ะนัดแนกันเอาพวกเราตายนะขึ้นไปตั้งใจภาวนาตายอยู่บนนั้นอ่ะขึ้นไปแล้วลงไม่ได้เพราะขึ้นไปแล้วผลักไม้นั้นออกพอผลักไม้นั้นออกลงไม่ได้แหละมันสูงเนี่ยลงไม่ได้ให้ตั้งอกตั้งใจเด็ดเดี่ยวตายอยู่บนนั้นอ่ะใครตั้งอกตั้งใจภาวนาได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ก่อนให้เหาะไปบินทบาทมาแจกหมู่งั้นเถอะได้ยินว่าบรรลุเป็นพระอาหารหันต์จ้งหลายองค์นะอ่แล้วก็ตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาวก็มีตายองค์หนึ่งก็ ตายไปแล้วก็มาอุบัติมาบัติตตตเป็นมาอุบัติเป็นพระภัยยะเนี่ยตายแล้วก็มาอาบัติเป็นพระภัยยะภัยะเกิดมาในชาติสุดในชาติสุดท้ายนี่ไปเกิดในตระกูลของชาวประมงไม่ใช่ไปเกิดในตระกูลของพ่อค้าไปค้าขายต่างเมืองแต่ว่าต้องผ่านมหาสมุทรไปทะเลผ่านทะเลไปทีเ่เรืมอมันแตะเรืมอมันอับบางเพราะเรือมันอับบาง ก็ได้เกาะแผ่นกระดานแผ่นหนึ่งลอยไปลอยไปลอยไปไปขึ้นที่ท่าท่าท่าน้ํามาหนึ่งไปก็เสื้อผ้าพรอนหลุดลุ่ยหมดแหละไม่มีเสื้อผ้าพรอปกอยู่ในนั้นอ่ะไปก็ไปหาใบไม้มาปลกมาปิดไม้เย็บมาเพื่อปกปิดบังความละอายชาวบ้านทั้งหลายเห็นเป็นเรื่องแปลกเขาก็เลยสำคัญมันโอ้นี่แหละพระอาหานนี่แหละพระอรหันคนนั้นก็เอานั้นมาให้คนนี้ก็เอานี้มาให้คนนี้ก็เอานี่มาให้เน่พอหนักหนักเข้าก็เลยหลงตัวเองเอ๊ะ เราเป็นอยู่อย่างนี้เรากลับได้อยู่ได้กินเพราะยังเลยอยู่อย่างนั้นแหละเอาใบไม้มามาเย็บมาปกมาปิดอยู่อย่างนั้นแหละทีนี้เพื่อนคนหนึ่งที่ไปตั้งใจภาวนาด้วยกันน่ยตายไปแล้วไปเป็นเทวดาเลยมาบอกเพื่อนอเราจะมาหลอกลวงอะไรหลอกลวงตัวเองด้วยหลอกลวงคนอื่นด้วยเหรอนี่จะทำบาปผาพกรรมหนักหนาสาหัสหไปแล้วเพื่อน ตอนนี้พระพุทธเจ้าอบัตรแล้วท่านอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นรีบไปกราบพระองค์ได้ฟังเทศฟังธรรมของพระองค์นี่พระพ า, ายะระลึกได้เพราะว่าเพื่อนที่เป็นเทวดาไปบอกอ่าก็ไปไปก็ไปพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากํลาลังเดินบินทบาทกํลาลังเดินบินทบาทก็ไปขอฟังธรรมขอฟังครั้งแรกพุทธเจ้าก็เฉยท่านเดินบินทบาทไปเฉยขอฟังครั้งที่สองพระพุทธเจ้าก็ยังยังไม่ไม่ได้เทศอะไรให้ฟังนี่พระพายะก็เลยเหมือนกับ กรรมบันดาลว่า ง, งั้นเถิดข้าพระองค์ระลึกไม่ได้ว่ารู้ไม่ได้ว่าข้าพระองค์เนี่ยจะมีอายุยืนมากน้อยสักเท่าไหร่ขอพระองค์ได้โปรดเมตตาแสดงทําโปรดข้าพระองค์ด้วยเถิดอย่างนั้นเธอจงฟังเราจะแสดงทําให้ฟังพาหิยะเธอจงเห็นสักจะว่าเห็นได้ยินสักจะว่าได้ยินได้สัมผัสได้กลิ่นได้ลิ้นได้ลิ้มได้รสไ ด, นไ ด, นไ ด, ได้น้อมนึกในใจอะไรสักจะว่าสักจะว่า พระพายะด้วยเหตทุที่ที่ตั้งอกตั้งใจบําเพ็ญเพียรในอัตภาพนั้นอย่างเต็มที่อยู่แล้วถ้าจะเทียบกั็เหมือนว่าจะได้เป็นพระโสดาจะได้เป็นแหล่จะได้ไม่เป็นไม่เป็นแหล่นั่นแหละแต่ว่าดับอัตภาพซะก่อนในอัตภาพนั้นเพราะฉะนั้นเวลามาบําเพ็ญเพียรใหม่มันจึงไปได้อย่างรวดเร็วคือใจมันเข้าขั้นแล้วตอนนั้นอ่ะแต่มันยังมีชีวิตจริงสีมาดับซะก่อนนั่นแหะเพราะฉะนั้นเวลาท่านมาฟังธรรมต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะทรงเทศว่าเห็นจักจะมาเห็น พระพายะเห็นทําความรู้ได้ว่าเห็นสักทจะว่าเห็นได้จริงๆความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดได้ยินก็สักจะว่าได้ยินความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดอย่าลืมว่าตาเราได้เห็นถ้าหาเรายินดีหมายว่าตันหามาแทกเข้ามาแล้วเราได้เห็นเรายินร้ายถ้าไม่ยินดีก็ยินร้ายยินดีก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามายินร้ายก็ผลักออกไปผลักออกไปทั้งยินดีทั้งยินร้ายคือ ตัณหามันแทรกเข้ามาแล้วตัณหาคือกิเลสตัณหาก็คือสมุทัยสมุทัยมันแทรกเข้ามาที่หัวใจของเราทีไรเมื่อไหร่กองทุกข์ก็เกิดขึ้นในหัวใจของเรานี่คือตัณหามันแทรกเข้ามาถึงหัวใจทีนี้ท่านทําอย่างนั้นได้ตัณหาแทรกไม่ได้เราสังเกตดูก็ได้ที่เรากำลังกำลังนั่งภาวนานพลิกซ้ายพลิกขวายอยู่เดียวนี่อนะเราเจ็บเราปวดเรายินดีหรือเราเฉยเฉยนะ หรือเราไม่เฉยๆเราไม่พอใจเราไม่พอใจเจ็บปวดเหลือเกินอดเลืออดเลือทนเหลือเกินนั่นแหละคือความยินร้ายเพราะอะไรเพราะกิเลสมันมาเกาะหัวใจของเราแล้วตัณหามันมาลูบคลําหัวใจของเราแล้วเมื่อตัณหามันโผล่ขึ้นมาปับ๊บอุปาทานมันก็พาคก่อทันทีอุปาทานคือมันยึดนั่นแหละยึดเวทนาตอนนั้นแหล ะ, ะปวดเหลือเกินปวดเหลือเกินอัตตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมาอัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมาโอ้ยิ่งปวดร้อยเท่าพันทวีเราตอนเนี้ย หยุดไม่ได้ต้องพลิกต้องเปลี่ยนแล้วมันได้ขยับสักนิดหน่อยยังดีพอได้ชื่นใจสักหน่อยขยับสาหายไปแวบเดียวอ้าวดีใจขึ้นมาแล้วสิแ น, นะเพราะไอ้ความทุกข์ที่เรื่องอดทนมันหายไปดีใจขึ้นมาแน่ใจของของเราที่เรายังไม่ถึงขั้นที่ว่ารู้สัจจะที่แท้จริงจะทําให้เราใจของเรานะ่ยขึ้นๆลงล อ, งอย่างนี้ยินดีมันก็เป็นการรายงานผิด ของตัณหาตัณหามันมันรายงานเข้าตัวของมันยินร้ายมันก็รายงานผิดมันรายงานเข้าตัวของมันเรื่องของเกีเลตตัณหาในหัวใจของเราตาหูจมูกเลี้นกายใจของเราจากกักรกลกระดิกพลิกแพลงอย่างไรก็ตามสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือ1ยินดีสองถ้าไม่ยินดีก็ยินร้ายถ้าไม่ยินดีหรือหรือไม่ยินร้ายก็จะเฉยเฉยอย่างที่ท่านเรียกว่าเวทนาเวทนาสุขเวทนาก็ยินดีเห็นไหม ทุกขเวทนาก็ยินร้ายสุ ข, ขเวทนาก็ยินดีทุกขเวทนาก็ยินร้ายทำไมเวทนาจึงเกิดก็เพราะมีตาไปกระทบรูปเกิดผัสสะเกิดเวทนาตากระทบรูปปั๊บเกิดวิญญาณเกิดผัสสะและเกิดเวทนาเวทนาตัวนี้มันเป็นเกณฑ์รับความรู้สึกของอารมณ์เราสังเกตมาที่ความรู้สึกในใจของเราน่ใจของเราจะออกมาทำความรู้สึกสัมผัสกับ กับสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไปสัมผัสทุกระยะทุกเวลาถ้าหากเราศึกษาให้เต็มที่จุดนี้แหละเป็นจุดที่ทําเกิดและเป็นจุดนี้แหละเป็นจุดที่กิเลสเกิดจุดนี้แหละเป็นจุดที่ความดีเกิดเป็นจุดที่ความชั่วเกิดเป็นจุดที่ทําให้นรกเกิดเป็นจุดที่ทําให้สวรรค์เกิดเนี่ยจุดตรงนี้แหละจุดตรงเวทนาความรู้สึกนี้เองถ้าหากเราขาดสติขาดสัมพัญญะ หาแนวทางปฏิบัติไม่กําหนดจดจออยู่กับสิ่งเหล่านั้นตัณหาแทรกเ ข, ข้ามาเกิดยินดีกิเลสเกิดแล้วเกิดตัณหาขึ้นมาเมื่อเกิดตัณหาขึ้นมาอัตตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมาตราบใดที่อัตตาตัวตนมันยังไม่โผล่ขึ้นมามันก็เป็นอนัตตาโดยอัตโนมัติของมันเป็นอนัตตาโดยอัตโนมัติถ้าหากตัณหาไม่แทรกเห็นก็ศัพท์ว่าเห็นตัวตนไม่มีผู้เห็นก็ไม่มีผู้ที่ถูกเห็นก็ไม่มี มีแต่ความรู้ที่ไปรู้สักเท่าว่ารู้ที่เรียกว่าเห็นสักเท่าว่าเห็นได้ยินสักเท่าว่าได้ยินได้สัมผัสได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสก็สักเท่าว่าสักเท่าว่าความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดหมายความว่าตัณหามันไม่เกิดตัณตัณหาคือความอยากตัวตนมันเป็นยังไงตัณหาเนี่ยเราย้อนมาดูที่ใจของเราเดี๋ยวนี้เราจะเห็น ตัณหาแปลว่าความอยากความดิ้นรนความทยานอยากของใจแต่มันจะมีสองแง่สองมุมมันจะมีสองอย่างนะพวกเราตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติธรรมเนี่ยทำให้เราอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากได้อัดอยากได้ทำอยากให้จิตของเราได้รับความสงบอยากได้มั่นได้ผลอยากได้นิพพานความอยากแบบนี้ท่านพระเป็นมัตท่านให้สนับสนุนท่านให้ส่งเสริมท่านให้เร่งบำเพ็ญท่านให้เร่งประกอบ ให้เรงขวนขวายแต่ถ้าอยากอยากเพื่อโลกดึงเข้ามาดึงเข้ามาอยากเพื่อโกรธผลักออกไปผลักออกไปนี่เป็นความอยากของสมุทัยเป็นความอยากของตันหาอยากเพื่ออิจฉาที่เสียพยาบาทอยากเพื่อราคะเนี่ยมันเป็นเรื่องของตันหาทั้งหมดความอยากทั้งหมดเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ที่เรียกวัตสมุทัยทุกขะสมุทัยทุกขสมุตโยทุกขะสมุทัยนี่แหละทุกขะสมุทัย ความอยากมันเกิดในหัวใจของเรามันเกิดสองอย่างอย่างนี้เราระลึกรู้ความอยากในหัวใจของเราอันนี้เป็นศูนย์ของงานมันเป็นสนามของงานมันเป็นหน้างานถ้าเราตั้งใจเพาหนายใจได้รับความสงบอยู่แล้วตรงนี้แหละมันเป็นหน้าหน้างานของเราเราตั้งใจพิจารณาเจริญวิปัสนาอยู่ตรงนี้แหละเป็นหน้างานของเร า, เรา พยายามปลุกจิตปลุกสติปลุกสัมผัสัญญาของเราให้จิตของเราผู้รู้ของเราตื่นโโรอยู่ตลอดตั้หาแทรกไม่ได้การทํางานพิจารณาจิตได้รับความสงบได้รับความอิ่มเอิบได้รับความแนบแน่นตั้งมั่นภายในหัวใจของเราแล้วก็คลี่คลายพิจารณาเนี่ยพิจารณาเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการพิจารณา หรือเราจะพิจารณาว่าอัตภาพร่างกายในเราหลงแล้วเกินเราหลงล้อัตภาพร่างกายคืออะไรเป็นอะไรกันแน่พุทธเจ้าท่านสอนให้แยกแยะเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังหรือไม่ก็ท่านก็แยกให้แยกแยะเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟเนี่ยดูเพื่อทําลายความเป็นข้อเป็นแท่งทําลายคําว่าอัตตาพุทธเจ้าท่านให้แยกแยะอย่างนี้นี่คือการพิจารณาวิธีการพิจารณานั้นมันไม่เลยเกิน วิธีการของหลักในมหาสติปัฏฐานเอาสติเป็นพื้นเป็นบาตเป็นฐานอารมณ์ของมหาสติปัฏฐานนั้นมีอารมณ์อยู่สี่อารมณ์ที่ท่านพูดเอาไว้อารมณ์หนึ่งเป็นรูปอารมณ์หนึ่งเป็นเวทนาความสุขความทุกข์ความยินดีความยินได้เนะ่ยเป็นเรื่องของเวทนาอารมณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือจิตตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตตามดูธรรมพิจารณาธรรม ทำอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งกำกับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งให้ถูกกับจริตนิสัยของเราเท่ากับทำอารมณ์ทั้งหมดจะพิจารณาจิตก็เท่ากับเราพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาธรรมจะพิจารณาเวทนาก็เท่ากับโยกเราอยู่กับกายอยู่กับจิตอยู่กับธรรมเราจะพิจารณาลมเนี่ยลมลมถือว่าเป็นกายน่ะก็เท่ากับอยู่กับเวทนาเท่ากับอยู่กับจิตเท่ากับอยู่กับธรรมพิจารณาธรรมพิจารณาอย่างไงพิจารณาธรรม เช่นอย่างเราพิจารณานิวรณ์หเอ๊นิวรณ์5เนี่ยการมฉันทะมันเกิดขึ้นในหัวใจของเรากําหนดจดจอพิจารณากันอยู่นั้นน่ะอันนี้ก็เป็นการพิจรารณาธรรมหนึ่งการพิจรารณาธรรมมันเป็นอารมณ์ของอรูปก็ตามเสียงก็ตามกลิ่นก็ตามรสสัมผัสทั้งหลายทั้งปวงที่มันตกล่วงไปแล้วตกผลึกเป็นสัญญาอารมณ์มันเกิดขึ้นในหัวใจใครครวญอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในใจท่านเรียกว่าท่านเรียกว่าธรรม า, ารมธรรมารมณ์ หรือพิจารณาธรรมพิจารณาธรรมก็คือพิจารณา น, านี้อันนี้คือส่วนหนึ่งพิจารณาสิ่งที่เป็นอารมณ์ของธรรมการพิจารณาอารมณ์ที่เป็นของที่เป็นธรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือธรรมะส่วนที่เป็นผลเช่นอย่าเราตั้งอกตั้งใจภาวนาไปปั๊บจิตของเราได้รับความสงบจิตสงบทั้งให้พิจารณาว่ารู้ให้รู้ว่าสงบเกิดความสว่างทั้งให้รู้ว่ามีความสว่างอย่ายึดความสงบอย่ายึดความสว่างไง yeah. อย่ายึดความสบายความปลอดโปร่องอย่ายึดปัญญาอย่ายึดความรู้ถ้าเรายึดทีไรเมื่อไหร่จะทําให้อัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมาทันทีเรารู้เออเราเห็นเออเราสว่างจิตเราสว่างโอ้จิตเรารู้โอ้จิตเราได้ทําขั้นนั้นได้ทําขั้นนี้โดยไม่พิจารณาทั้นว่าเราไม่พิจารณาธรรมตัณหามันจะสวมรอยมาให้เรายึดยึดยึดยึดยึดยึดยึดสิ่งเหล่านี้คือไม่พิจารณาธรรม ทำทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับหัวใจของพระอริยเจ้าพอโผล่ขึ้นมาปั๊บท่านจับมาดูแล้วท่านก็วางท่านพิจารณาพระท่านจับมาดูแล้วท่านก็วางจะเกิดอะไรท่านก็จับมาดูแล้วก็วางถ้าเรายึดขึ้นมาอัตตาตัวตนมักโผล่ขึ้นมาตัณหามันก็สวมรอยขึ้นมานี่คือการพิจารณาธรรมที่เป็นส่วนของผลที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราหรือไม่ก็พิจารณาอารมณ์ที่เป็นธรรมที่ตกผลึกไปในหัวใจของเรา เราพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งอยา่างใดอย่างหนึ่งทะลุถึงกันหมดทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมทําไมมันจึงทะลุถึงกันหมดมันต้องทะลุถึงกันหมดเพราะผู้ทํางานมีหนึ่งเดียวคือใจผู้รู้ดวงเดียวเป็นผู้ทํางานจะมาพิจรรารณากายก็เพื่อรู้เท่าทันตัณหาจะมาพิจรรารณาเวทนาก็เพื่อรู้เท่าทันตัณหาจะมาพิจารณาจิตพิจารณายังไงพิจารณาจิต เราย้อนมาดูที่จิตจิตของเรารักท่านเครู้ว่าเราให้รู้ว่าจิตรักจิตหายรักท่านเคยรู้ว่าจิตหายรักจิตโกรธท่านเคพิจารณาความโกรธที่เกิดภายในจิตจิตหายโกรธท่านเคพิจารณาความหายโกรธภายในจิตวุ่นละเอียดนะละเอียดนะเราจะพิจารณาจิตล้วนล้วนเราพิจารณาไม่ออกดอกอารมณ์ของมหาสติปัฏฐานที่เราพิจารณาจิตพิจารณาจิตคือพิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิต ถ้าเราพิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตมันจะเป็นเหตุให้ให้ตัณหามันแทรกเข้ามาไม่ได้ถ้าเราไม่พิจารณาตัณหามันแทรกเพราะฉะนั้นอารมณ์ใดที่เกิดขึ้นขึ้นมาท่านให้เห็นสักเทว่าเห็นรู้สักเทวะรู้สติสักเทว่าเป็นเครื่องระลึกสิ่งที่ถูกรู้สักเทวะเป็นสําหรับรู้สําหรับระลึกเป็นเครื่องระลึกเป็นที่สําหรับระลึก เป็นเครื่องสำหรับระลึกระลึกรู้แล้วก็ปล่อยระลึกรู้แล้วก็ปล่อยไม่ยินดีไม่ยินร้ายนําอภิชฌาและโทมนัสคือนําความยินดียินร้ายออกตามหลักทั้งพูดไว้แบนั้นนะเอายินดีออกนำํำอภิชฌาและโทมนัสออกเห็นจักรทว่าเห็นนี่คือเอาสติมาทํางานเพราะสติตัวนี้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือมาทํางานกํากับที่จิตคือผู้รู้คือท่ารู้จะทําให้เรา พยายามทำงานปกป้องเพื่อไม่ให้ตัณหามันแสดงขึ้นมาเราจะเจริญสมถะก็ตามในขณะที่จิตของเราสงบเนี่ยตัณหามันแสดงตัวไม่ได้ในขณะที่เราตั้งใจพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาของเราจากการที่จิตของเราแนบแน่นมั่นคงแล้วจิตของเราพิจารณาไปให้รู้เหตุรู้ปัจจัยของมันเนี่ยนี่ตัณหามันก็แทรกเข้ามาไม่ได้ด้วยเหตุที่เราเอาสติมากํากับนี่แหละตัณหามันจึงแทรกไม่ได้พระเจ้าท่านจึงยก มหาสติปัฏฐานเนี่ยเป็นเหมือนมองกุดกรรมฐานครอบกรรมฐานอื่นหมดทุกอย่างเราจะพิจารณาสุภ า, าสุพังเนี่ยมันก็เข้าลักษณะของมหาสติปัฏฐานพิจารณากระดูกนี่มันก็เป็นการพิจารณาเข้าในหลักมหาสติปัฏฐานคือกายานุปัสนาเนี่ยเราพิจารณาความเจ็บความปวดความยินดีความยินได้อย่างใดอย่างหนึ่งพอเราเอาสติกำหนดจดจอดูภาพเนี่ยความอยากมันจะดับนะ มันจะทําให้เรารู้อยู่กับอารมณ์อย่างเดียวนิ่เราพันมาที่ที่อารมณ์ของมหาสติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมมายาสารพัดที่ตันหาที่มันจะแทรกออกมาหัวใจของเราถ้าเราจะดูตามหลักเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าท่านทร ง, งตรัสไว้ในหลักมหาสติปัฏฐานนั่นน่ะอ่าช่องทางที่เป็นรูเป็นช่องที่ตันหามันจะแทรกเข้ามาเป็นรูปคุนไปเลย60สช่อง60สิรู ซึ่งเป็นกิริยาอาการที่จะมันจะแทรกมาที่จิตของเราถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่รู้หลงไปกับคนอุบายมายาของมันลองสําคัญมั่นหมายว่าอันนี้แหละเป็นธรรมอันนี้แหละเป็นธรรมแท้จริงเป็นอุบายเป็นมายาของกิเลสที่มาแทรกเข้ามาเราไม่รู้จักโดยที่ท่านเรียกเป็นหมวดหมวดได้10บหมวดหมวดละ6หมวดละห60สเป็น60สิหมวดแรกคือคืออายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจ หมวดที่สองก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑธรรมารมณ์อายตนะภายนอกหมวดที่สมอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันสัมผัสกันทําให้เกิดวิญญาณตาเห็นรูปเกิดจากวิญญาณหูได้ยินเสียงเกิดโสตะวิญญาณอันนี้วิญญาณก็วิญญาณวิญญาณในชนี้หมายถึงหมายถึงวิญญาณหมายถึงหมายถึงวิญญาณนักขันะวิญญาณที่พูดถึงในขณะนี้หมายถึงวิญญาณนักขันวิญญาณนี่ก็6 จากวิญญาณก็คือผัสสะไอ้วิญญาณกับผัสสะมันเกิดข right. ึ้นพร้อมๆกันพอตาไปกระทบรูปปั๊บเกิดวิญญาณเกิดผัสสะคําว่าวิญญาณแปลว่ารู้แจ้งรู้แจ้งทางตาจักขูวิญญาณรู้แจ้งทางตาโสตะวิญญาณรู้แจ้งทางหูไอวิญญาณกับผัสสะผัสสะก็คือความไปกระทบไปกระทบด้วยกับความรู้แจ้งด้วยถ้าไม่กระทบมันก็ไม่รู้แจ้งไปกระทบด้วยกับผัสสะด้วยมันเกิดขึ้นพร้อมกัน ต่อจากนั้นหมาก็เกิดเวทนานี่คือลําดับขั้นในการเกิดของของกิเลสตัณหาในหัวใจของเราเกิดเวทนาเวทนาถ้าหากเราเผลอสตอิเกิดความสุขขึ้นมาเราขยึดแน่เป็นความยินดีแล้วเกิดความยินร้ายไม่ชอบใจขึ้นมาเช่นยาเรานั่งเราเจ็บเราปวดเราไม่ชอบใจเราไม่พอใจแน่นี่ก็เป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วเป็นสมุทยัยกิเลสตัณหามันแทรกเข้าม า, มาเป็นอย่างนี้ เห็นจกักจะว่าเห็นจริงๆนะใอเมื่อจิตของเราตื่นรรู้อยู่จำพ่อจริงเห็นจกักเจะว่าเห็นจริงๆไม่ซึมซับซึมทราบเข้าไปสู่อารมณ์เหล่านั้นไม่ยินดีที่จะยึดเข้ามาไม่ยินร้ายที่จะผลักออกไปนี่หมายว่าตัณหาไม่แทรกในหัว ใ, ใจของเราเราสามารถย้อนเข้าไปทดสอบพิสูจน์ดูได้เลยว่าความอยากในหัวใจของเราเนี่ยแค่เราตั้งใจเจริญสติให้โรูขึ้นมาเนี่ยความอยาก มันเข้าไปแทนที่ไม่ได้ที่สําคัญที่สุดจิตของเรานะขณะของจิตของเราเนี่ยที่จะปรากฏเด่นโรชัดที่สุดได้ขณะละหนึ่งอารมณ์ครั้งละหนึ่งอารมณ์นะไม่ใช่ครั้งชัดเจนที่สุดครั้งละสองสาอารมณ์ไม่ใช่ถ้าภายในใจของเรามีอารมณ์แซงเข้ามาสองสาอารมณ์เนี่ยไม่ชัดซะอย่างด้วยเหตุนี้เองตัณหาจึงแทรกเข้ามาได้ง่าย วิธีการที่พุทธเจ้าท่านเอาไม้ใช้เอาไม้เจริญกรรมฐานทั้งสมถะสมถานทั้งวิปัสสนากรรมฐานท่านจึงให้เราพยายามปลุกผู้รู้ของเราให้ตื่นโร่หนึ่งเดียวให้เต็มร้อยสมมูล ร, ร้อยแดงเทียนให้เต็มร้อยแดงเทียน เ, เ, เลยสว่างเต็มที่สว่างเต็มที่ตัณหามันมาแทรกจิตของเราไม่ได้จิตของเราดวงเดียวมันมีทั้งธรรมมันมีทั้งกิเลสอยู่ด้วยกันนะตราบใดเราให้กิเลสมันเกาะอยู่ในหัวใจของเราธรรมก็ ต, ตกไป ตราบใดเรให้ทํามันเกาะอยู่ในหัวใจของเรากิเลสมันก็ตกไปกิเลสกับธรรมมันจะปนเปื้อนกันไม่ได้มันจะไม่อยู่ด้วยกันมันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันด้วยกันอ่ามันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันด้วยกันนะสมมุติเราเรากำลังเจริญธรรมอยู่ขณะนี้เรากําลังเจริญธรรมพุทโธขณะต่อไปอีกเราก็เจริญธรรมอีกพุทโธท่านจึงให้ภาวนาพุทโธต่อเนื่องหรือไม่เราก็กําหนดจดจ่อพิจารณาเนี่ยขณะนี้ชัดที่สุดก็คือทำขณะข้างหน้า ขยับออกไปก็คือทำทำบวกทำทำบวกทำทำบวกทำทำบวกทำกิเลสคือตัณหาไม่มีโอกาสที่จะมาแทะหน่วยใจของเราหนักๆเข้าโดยหัวใจดวงนั้นก็มีวิบากเป็นกรรมทำกรรมวิบากทำกรรมวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของทำผลเพิ่มเป็นเรื่องของธทมกิเลสอยู่เท่าเดิมหรือไม่กิเลสจะเริ่มยุบย่อลงไปแต่ถ้าเราไม่เจริญธรรมนะกิเลสจะทํางาน กิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนถ้าเราไม่เจริญธร ร, ร, กรมกิเลสเจริญในหัวใจของเราผลไรายได้เป็นเรื่องของกิเลสผลเพิ่มเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของกิเลสมันนําอะไรมาให้เรานําทุกขนําโทษมาให้เรานําทุกขนําโทษมาให้เรานำภพนําชาติมาให้เรานําราคะโทสะโมหะมาให้เราเนําความยากความลําบากมาให้เราแต่เรื่องของมรรคเรื่องของธรรมนั้น นำนำออกจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงในหัวใจของเราให้ใจของเราไม่ตีบไม่ตันเดินไปด้วยหนทางที่สะวกสบายปลอดโปรง่งไม่มีความทุกข์อันเนื่องมาจากไม่มีตัณหาถ้าเรามีตัณหากับอะไรตัณหามันพา ย, ยึดสิ่งเหล่านั้นในเมื่อเรายึดไปแล้วเนี่ยความเห็นแก่ตัวมันก็โผล่ขึ้นมาเราม่รู้เถอะมนุษย์เราชุมชนในมนุษย์ของเราเนี่ยทะเลาะเบาแวงกันก็เพราะอะไร เขาพราะความถือเนื้อถือตัวทําไมจึงถือเนื้อถือตัวเพราะมีความเห็นแก่ตัวทําอะไรขึ้นมาทําอะไรขึ้นมาก็ต้องเพื่อตัวเพื่อตัวเพื่อตัวเพื่อพวกของตัวเพื่อพวกพ้องของตัวนี่คือตัญหามันแทรกเข้ามาพวกเราก็มารู้มาเข้าใจแต่ผิวเผินของกลของอบายวะกายวิมันแค่นี้เราไม่เคยยังลึกเข้าไปข้างในว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันตั้งอยู่ได้ยังไงมันดับเข้าไปได้ยังไง นี่เราพูดถึงธรรมะสิหมวดเมื่อกี้พูดไปได้5หมวดน ะ, ะพูดไปได้5หมวดห้าหมวดคือพัทธะก็มี6เวทนาก็มี6นะเวทนาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจเวทนาก็คือความรู้สึกหรือเกณฑ์ของความกระทบะกระทบเข้าไปแล้วผลตามมาคือถ้าไม่ยินดีก็ยินร้ายถ้าไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็จะรู้สึกเฉย ตราบใดที่เรามีปัญญาอยู่มีสติมีสมาธิกำหนดจดจ่ออยูอ่ความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดไอความสุขความทุกข์มันเกิดอยู่เพราะมันสัมผัสสัมพันธ์แต่จิตของเราไม่ได้ยึดสิ่งเหล่านี้มาใส่ใจเห็นสักเท่าเห็นแล้วมันก็ตกไปตันหาไม่เกิดความอยากไม่เกิดเพราะฉะนั้นความทุกข์จึงไม่เกิดความอยากคือตันหาตันหาจะโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไห ร, ไไหร่นั่นมันเริ่มก่อตัว น, นําเหตุแห่งกองทุกข์มาให้เราแล้วเนี่ย เวทนา6นอกจากเวทนา6แล้วก็สัญญา6สิ่งที่ตกล่วงไปแล้วเป็นรูปสัญญาสัมถสัญญาเสียงเปลี่นรสสัมผัสที่ตกตกพลึกไปเป็นสัญญาเนี่ยสัญญาก็6สัญเจตนาก็6สัญเจตนาความความคิดถึงจะเรียกว่าสัญเจตนาสัญเจตนาความคิดถึงนะโดยเหตุที่เรามีความคิดถึงนี่แหละสนอยเพลินไปเพลินเพลอแล้วจะหาแทะเข้ามาแล้วเนี่ สัญเจตนาก็6นอกจากสัญเจตนา6แล้วกัตัณหา6คือความอยากตัณหา6ตัณหา6อยากทางตาทางหูทางจมูกทางเลิ้ยงทางกายทางใจนอกจากนั้นแล้วก็วิตก 6. วิตกคือความตรึกวิจารณคือความตรองความตรอง6วิตกหกวิตก6ความวิจารห6วิจารณ์คือความตรองไอ้คําว่าวิตกวิจารณบางทีเราก็ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจด้วยซ้าไปคืออะไรวิตกคือความตรึกความนึกความคิด วิจารก็คือประคองความรู้สึกนึกคิดของเรานี่แหละคือเหมือนอย่างเราทํางานอย่างใดอย่างหนึง่งเราพยายามประคองสติคิดเลขบวกเลขคิดนู้นคิดนี้คิดงานประคองสายงานให้มันต่อเนืน่องนี่คือวิจารณ์ปัญหาเวลามันจะแทรกแทรกเข้ามาที่วิตกก็แทรกเข้ามาที่วิจารณ์เพราะฉะนั้นถ้าหากเอ๊ะทำไมมันมีช่องมีรูมากมายพรุนตั้งห้าสิบหกสช่องทํางมเราจะสู้มันได้เราอยู่กับใจดวงเดียว อย่างอื่นก็ดับหมดเราอยู่กระจายดวงเดียวอย่างอื่นดับหมดเหมือนสนัมเณีสอนพระโพธิละนะัตเห็นไหมที่หลวงตาท่านเคยมาเทศให้พวกเราฟังพระโพธิลัตท่านเป็นคณาจารย์ใหญ่ท่านยังเป็นปุถุชนอยู่แต่ไปสอนไปสอนพระตั้งตัวเป็นคณนาจารย์สอนพระแต่ก็เอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปสอนอพระสงฆ์เหล่านั้นทั้งเอาคําสอนเหล่านี้ไปตั้งใจปฏิบัติท่านได้อาจได้ทําได้มักได้ผล แต่อาจารย์คือพระโพธิรัตยังเป็นปุถุชนอยู่เพราะไม่ได้ไปตั้งใจตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังต่อมาพระพุทธเจ้ารากพูดให้เป็นเรื่องกระทบโพธิรัตโพธิลัตโพธิรธัตจงมาโพธิรัตจงไปคําว่าโพธิลัตแปลว่าใบลานเปล่าใบลานเปล่ามีแต่ความรู้เฉยๆไม่มีผลของการปฏิบัติ น, นักๆเข้าก็เลยมีความกระดาษก็เลยดำริที่จะตั้งใจปฏิบัติก็เลยไปมอบกายถวายตัวกับสํานักสํานักหนึ่ง สำนักนั้นอะ่ะตั้งแต่พระมหาเทระจนถึงเนนน้อยมีแต่พระอาหารหันต์ทั้งนั้นอะไปมอบตัวต่อหัวหน้าวาัดโอ้ยเราจะมีความสามารถอะไรท่านเป็นคณาจารย์ใหญ่เราไมีความรู้ความสามารถดอกนู้ไปหาองค์นั้นซะองค์รองต่อไปองค์รองต่อไปก็ส่งไปเรื่อยส่งไปเรื่อยไม่มีใครรับเป็นอาจารย์เหมืนงั้นเถอะแทนที่จริงก็เป็นอุบายเป็นอุบายให้ลดทิฐิให้ลดมานะไปในตัวการที่จะไปฝากเนื้อฝากตัวแล้วท่านไม่ยอมทุบยอมตีไม่ยอมบอกไม่ยอมสอนโอ้ เกิดความสำนึกอย่างใหญ่หลวงทีเดียวเหมือนกันนะเอเรามามาคิดดูหัวใจของท่านมาคิดดูหัวใจของพวกเราก็เหมือนกันตั้งใจที่จะเรียนนู่นที่จะเรียนนี้อาจารย์ไม่ยอมบอกไม่ยอมสอนเราดูสิทําให้เราเกิดความรู้สึกพระบทศิลป์ ก, ก็เช่นเดียวกันลดความรู้สึกถือเนื้อถือตัวลดลดล ด, ล ด, ลดไปจนถึงสัมเณรน้อยโอ้ยผมเป็นสามเณเพราะจะมีความรู้มีความสามารถอะไรแต่ที่จริงเนรเป็นเนเ น, เนพระอรหรันเเป็นเนนอรหรันเนนนะอา่า อขอให้เนนเป็นอาจารย์เนี่ยนี่ครูอาจารย์ก็เลยบอกอ้าวเนนเนลองลองดูลองดูเนนลองลองสอนดูอเนนก็เลยเอาไปฝึกไปทรมานจนพระโพธิละเนี่ยลดทิฐิลดมานะเช่นอย่างนุ่งคล้องผ้าอย่างดีเนี่ยให้ลงไปเอาอะไรในน้ําโอ้ยจะเปียกจะเปียกแล้วขึ้นมาคล้องผ้าอย่างดีให้เข้าไปเอาอะไรในกอไผ่มืดๆทึบๆเนี่ยเข้าไปเลยน้ําจะเกาะน้ําจะปัดอ้าวออกมาว่ า, ารู้ว่าลดทิฐิมานะก็เลยตั้งใจสอนเนี่ย นะตั้งใจสอนกรรมฐานตอนนี้เนน จ, จังใจสอนนะนะเนนพระอาหารหนะันสอนพระโพธิลัตเนี่ยพระโพธิลัตเบื้องหลังนะสุดท้ายท่านเป็นพระอาหารหันนะพระโพธิลัตเนี่ยเราพู ด, เ ร, พดเราพูดตามเรื่องราวที่มันเรื่องราวที่มันเกิดมาเท่านั้นเองเนนสอนว่ามีจอมปลวกจอมปลวกหนึ่งมีรูหกรูเรามีเหี้ยตัวหนึ่งอยู่ในนั้นเราต้องการจับเหี้ยมันมีรูตั้งหกรูทําไมเราจะจับได้ให้เราอุดรูทั้งห้ารู แล้วก็เปิดรูตัวหนึ่งเอาไว้เหี้ย <He> er, มันจะออกรูนั้นก็ไม่หรอกรูนั้นก็ไม่หรอรูนั้นมันจะต้องมาออกรูที่เราเปิดเอาไว้นี่แหละแล้วก็คอยจ้องดูแล้วมันออกมาฟาดพวกได้เลยพราะออกมาขีดตัวฟาดพวกก็ได้พะออกมาขี่ตัวฟาดพวกก็ได้ออาฟาดพวกก็ได้ดไดเรากําหนดจดจ่อจ้องอยู่เฉพาะจิตของเราเหมือนกับเราจ้องรูรูเดียวนั่นแหละฮะความโลภเกิดกรู้ความโกรธเกิดก็รู้ ไม่ซึมทราบกับความโลภไม่ซึมทราบกับความโกรธไม่ซึมทราบกับอุทกขม้าศกนั่นแหะไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตใจของเราไม่ซึมทราบไม่เอามาเป็นสัญญาลงสักทวารู้แล้วก็ปล่อยสักทวารู้ระลึกเป็นเครื่องสิ่งเรานะั้นเป็นเครื่องระลึกเป็นเครื่องรู้นําความยินดีออกนําความยินร้ายออกนี่สติเป็นเพื่อนเป็นบาดเป็นฐานที่พุทธเจ้าท่านเอามาสอนมีความสําคัญอย่างนี้ทีนี้การเจริญสตินั้นอะ ไม่สําคัญว่ายืนว่าเดินมานั่งมานอนสามารถทําได้ทุกอิริยาบถมันเหมาะสำหรับพวกเราคราวาส ท, ที่เราทํามาหากินเนี่ยท่านบอกว่ายืนก็เจริญสติได้เดินก็เจริญสติได้เขียนหนังสือก็เจริญสติได้ทําอย่างใดอย่างหนึ่งให้อยู่กับเรื่องนั้นเรื่องเดียวพอจบเรื่องเราก็ย้อนปั๊บมาที่จิตของเราพอจบเรื่องเลากย้อนมาที่จิตของเราการทํางานแบบนี้ท่านว่า เป็นการทำงานและก็ปฏิบัติธรรมไปในขณะเดียวกันสติมีคุณสมบัติที่เอามาเจริญในขณะทํางานได้อย่างนี้พุทธิย่าท่านจึงจึงสอนว่าสติเป็นมงกุฏกรรมฐานมหาศิบฐานพุทธิย่าท่านสอนทั้งพระทั้งคราวา่าท์แท้ที่จริงเราปฏิเสธไม่ได้เลยทีนี้โอ้ยเราเป็นคราวา่าท์พระภูกิจามะยังภูการณี ย, ยาเนี่ยมี ภาระมากมีกิจมากเหลือเกินไม่มีเวลาที่จะมานั่งมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาภาวนาไม่มีเวลาที่จะมาบริกรรมพุโทโธพุโทโธเรายืนแล้วว่าได้ไหมเราเดินแล้วว่าได้ไหมเรานั่งเรานอนแล้วว่าได้ไหมพุโทโธขึ้นมาเพื่อตั้งสติกำกับกับพุโทโธแค่สติเรากําหนดจออยู่เฉยเฉยเนี่ยโดยไม่ได้บริกรรมตัณหามันก็โผลกขึ้นมาไม่ได้นะตามหลักที่พุทธเจ้าท่านสอนในหลักข้อมหาสติ เพราะฉะนั้นสติจึงเป็นตัวยืนรองที่จะปลุกจิตของเราให้ตื่นให้รู้ตื่นรู้ทําไมตื่นรู้จากความหลับไหลลุ่มหลงด้วยเหตุที่เราหลงนี่เองเราจึงยึดเข้ามาด้วยเหตุที่เราหลงนี่เองเราจึงผลักออกไปนะหลงอะไรหลงกองสังขารเรามีกองสังขารด้วยกันทุกคนกองสังขารรูปที่เราเน่าต้องมองแต่งแบงอยู่นี่แหละเราหลงกองสังขาร น, นา้ําคือใจ ใจของเราเป็นกองสังขารใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันต์มีกองสังขารไหมไม่มีเพราะใจของท่านเนี่ยบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสไปปนเปื้อนคําว่ากองสังขารคือสิ่งที่รวมกันสิ่งที่ประกอบกันตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปท่านเรียกว่ากองสังขารเหมือนอย่างสลาหลังเล็กหลังเนี้ยสลาลําลึกลงตาหลังเนี้ยเราดูสิมีสิ่งหนึ่งเดียวมไหมไม่มีเป็นอิฐเป็นปูนเป็นไม้เป็นนูน่นเป็นนี่เป็นกระจกเต็มไปหมด เลยเป็นกองสังขารดูมาให้เห็นชัดเห็นง่ายๆดูมาที่กายของเรากายเราเป็นกองสังขารสิงหลายสิ่งหลายอย่างมารวมกันถ้าดูให้ละเอียดเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเนี่ยอาการแต่ละอย่างท่านถือว่ามารวมกันหรือไม่ดูให้เห็นเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟเน่มันไม่ใช่ไฟอย่างเดียวไม่ใช่ดินไม่น้ําไม่ใช่ลมอย่างเดียวทั้งหมดนั้นอ่ะมาประกอบกันมารวมกันอ่แล้วก็ต้องมีใจมาครองด้วยนะ ถ้ามีแต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีใจมาครองมันก็เป็นศพนะเป็นศพต้องมีใจมาครองเพราะฉะนั้นท่านยิงเรียกว่ากองสังขารที่ใดมีกองสังขารที่นั่นมีความทุกข์ที่นั่นมีกองทุกข์ที่ใดมีความทุกข์ที่นันที่ใดมีกองทุกข์ที่นั่นมีกองสังขารที่ใดมีกองสังขารที่นั่นมีพบที่นั่นมีชาติที่ใดมีพบที่ใดมีชาติที่นั่นจะต้องมีการเคลื่อนจะต้องมีการจุดติที่ใดมีกองสังขารที่นั่น ต้องมีอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ใดไม่มีกองสังขารที่นั่นหมดอนิจจังหมดทุกขังหมดอนัตตาพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าข้าพระสงฆ์สาวกที่เป็นพระอรหรันต์จิตของท่านไม่ใช่เป็นกองสังขารจิตของท่านจึงไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตของท่านพ้นจากอานิจจังทุกขังอนัตตาถ้าหากย ah ังมีกิเลสตัณหาปนเปื้อนอยู่ จิตของเราไม่ใช่หนึ่งเดียวจิตของพระอาหารหันต์นั้นคือจิตที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวไม่เป็นสองกับสิ่งใดถึงคราวอัตภาพร่างกายแตกสลายลงไปซึ่งเราเรียกว่าตายตา ย, ตายแต่ใจดวงนั้นไม่ได้เคลื่อนไปจับจองพบชาติที่ไหนอีกเนื่องจากหมดพลังที่จะพาไปหมดตันหาที่จะพาไปไอ้ที่เราไปนะั้นเราไปด้วยพลังของตันหาตันหามันเป็นพลังพาเราไป ไปนู้นไปนี่ไปพบสูงไปพบต่ำไปยาไปละเอียดขนาดไหนก็ตามไปตามพฤติกรรมที่เราทําเห็นไหมพฤติกรรมที่เราทํามันไม่ใช่ของเล็กน้อยกายกรรมวัจจีกรรมมโนกรรมกิริยาที่แสดงออกมาที่กายเป็นกายกรรมกิริยาที่แสดงออกมาทางวาจาคําพูดเป็นวจีกรรมกิริยาที่แสดงออกมาที่ใจเป็นมโนกรรมไปนั่งอยู่คนเดียวนั่นแหละไม่มีใครรู้ไม่มีเห็นนั่งนึกคิดปรุงเรื่อยเบยื่อไปตามเรื่อง คือเป็นวิบากกรรมเนี่ยกรรมสังสมหนักๆเข้ามาั่งากเข้าจิตดวงนั้นนึกผิดคิดผิดเข้าใจผิดสําคัญผิดกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิหมดทั้งดวงนี่เราพูดถึงจิตของเรานะจิตของเรายังเป็นกองสังขารอยู่กองสังขา น, นี้ถ้าเราสงบระงับได้เป็นสุขอย่างยิ่งเตสังฮูปะสมูสุขโข การเข้าไปสงบระงับดับกองสังขารเหล่านั้นได้เป็นสุขอย่างยิ่งกองสังขารในหัวใจของเราแค่เรายังมีชีวิตอยู่ใจของเราหยุดสงบระงับดับปรุงเกี่ยวกับเรื่องตันหาทั้งหลายทั้งปวงในหัวใจของเราใจของเราไม่วาวุ่นใจของเราไม่ขุนมัวใจของเราสงบนิ่งแค่นี้ก็มีความสุขไม่มีความสุขอื่นจจะยิ่งไปกว่าที่จะเรียกว่านัติสันติปรังสุขขังนี่แค่ความสงบนะ แต่ถ้าเกเละมันสงบมันตกไปจากหัวใจด้วยแล้วจะมีความสุขสักปานใดเพราะว่ามันไม่มีเชื้อที่จะก่อตัวขึ้นมาอีกมันหมดเชื้อแล้วมันมีมันมีเชื้อที่จะก่อตัวขึ้นมาอีกทําไมเราจะได้เราจะถึงเราต้องตั้ง อ, อกตั้งใจทําเราจะต้องสั่งสมเราจะต้องอบรม mm. เราเดูเถิดพระพุทธเจ้ากว่าท่านจะได้วิชาความรู้เหล่านี้มาสี่อาสงไขยแสนหมหากับสร้างบุญบา ร, รมีกว่าจะเต็มเปี่ยมพระสาวกแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละองค์ไม่ใช่ท่านมาล้างมือเปิดเฉย สร้างบารมีมาเท่าไรพระสารีบุตรพระโมคคัลลนะอาศิติมหาสาวกไปดูแต่ไปศึกษาประวัติย้อนหลังของท่านท่านทําคุ่นูประการาทําอธิการแะอธิการคือทําบุญอย่างยิ่งยวดมามากน้อยเท่าไหร่กว่าท่านจะได้มารู้มาเข้าใจ อ, าอย่างพระโมคคัลลนะเนี่ยเห็นไหมอดีตชาติท่านฆ่าแม่ท่านฆ่าฆ่าแม่อดีตชาติฆ่าทั้งพ่อทั้งแม่ ด้วยกรรมที่ท่านฆ่าพ่อฆ่าแม่นั่นแหะกรรมเหล่านั้นก็มาตามเล่นงานท่านทุกครั้งนอกจากไปตกนรกหมองไม้อเวจีมารกเสร็จแล้วพ้นโผล่พล้นขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์ชาติไหนก็ถูกฆ่าเกิดเป็นสัตว์เป็นอะไรชาติไหนก็ถูกฆ่าถูกฆ่าถูกฆ่าเพราะอะไรเพราะกรรมที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่นั่นเองตอนหลังมาท่านเปลี่ยนใหม่กรรมเหล่านั้นท่านทำลงไปแล้วลบไม่ได้ล้างไม่ได้เพราะมันทำลงไปแล้วเหตุได้สร้างลงไปแล้วผลจะต้องตามมาเราจะมาลบล้างไม่ได้ เราจะลบออกไม่ได้ตราบใดที่กรรมนั้นยังให้ผลยังไม่จบท่านมากลับใหม่ตั้งตนเป็นอัครสาวกปรารถนาอยากเป็นภาษาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายพระโมคคัลลานะเลยปรารถนาเป็นภาษาวกเบื้องซ้ายเป็นอัครสาวกเห็นไหมชาติสุดท้ายของท่านะ่ะฤมีฤทธิ์มีเดชมีอภิญญาพูดถึงบรรดาภาษาวกที่มีฤทธิ์ไม่มีใครเลิศเกินเกินพระเกินกว่าพระโมคคัลลานะ ถึงครณ์นั้นก็ตามกรรมที่ทําเอาไว้น่ะมันก็ยังมาตามเอางานของมันใช่ไหมอ่าเพราะว่าอัตภาพ ร, ร่างกายของท่านเน่ยเป็นวิบากกรรมของกรรมเก่านั่นน่ะถึงการถึงคราวที่กรรมมันตามมาเล่นงานกรรมเก่าเรื่องเก่ามันจะมาประจบเรื่องใหม่อยู่เสมอกรรมของใครก็ตามที่มาประสบกับกรรมใหม่เนี่ยมันจะต้องมีกรรมเก่ามาประจบกับกรรมใหม่อยู่เสมอพระโมคคัลลานะก็เช่นเดียวกันพระโมคคัลลานะท่านมีฤทธิ์มีเดชมีอภิญญา ไปสวรรค์ก็ได้เอาเรื่องบนสรรค์มาเล่าชาวบ้านฟังเขาเลื่อมใสศรัทธาไปนรกก็ได้เอาเรื่องของนรกมาเล่าให้ชาวบ้านฟังท ำ, ทำนู้นทำนี้ทำนี้นั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ตกนรกหมกมาอย่างนั้นชาวบ้านฟังแล้วเลื่อมใสศรัทธาถ้าเลื่อมใสศรัทธาแล้วราบสักการะมกมาด้วยเฮคนนั้นก็มาขึ้นพระโมคคัลลนะคนนี้ก็มาขึ้นในละแวกนั้นมาขึ้นพระโมคคัลลานะหมดพวกเดรัถีทั้งหลายมันก็อดอยากไม่มีทายาธรรมที่จะบริโภคนี่ทำให้เขาอยู่ยากอยู่ลําบาก อเราลําบากเพราะใครนาะนี่แหละองค์นี้แหละองค์นี้แหละไปสวรรค์ก็ได้ไปนรกก็ได้เอามาเล่าชาวบ้านฟังนะชาวบ้านก็เริ่มไซสซทธาไปทําบุญให้ท่านแต่กระท่านเนะี่ยเพราะเราเลยอด <c oughs> ก็เลยพากันจัดการทนะี่เราจะต้องจัดการพระองค์นี้เห็นไหมกรรมเก่ากับกรรมใหม่มันมาประจวบกันวาระแรกให้นักเพลงมันไปฆ่าขึ้นไปวรรคแรกท่านก็หออก่อตาหน้าต่างเพราะท่านมีฤทธิ์เนี่ยห่อได้เหมือนนก <c oughs> ลอยไปเลยแหละ เขาเข้าไปรอบที่สองวรรณะที่สองถ้าห่อออกอีกพอเข้าไปวรรณะที่สามโอ้พิาจารณาถึงเรื่องกรรมมันมั น, มนตามเอาของมันความเป็นพระอาหารหันต์ไม่ใช่อัตภาพร่างกายนะความเป็นพระอาหารหันต์คือใจที่บริสุทธิ์ไม่ใช่อัตภาพร่างกายนี่พระโมคลลนะท่านก็เลยเข้าฌานคึบกับทันทีแหละมันก็ทุบตีท่านจนแหลกหมดนั่นแหละเอาท่านโยนไปทิ้งในก่อไม้นั่นนะอ๋อท่าน ได้เวลาเวลาที่ท่านอธิษฐานท่านก็ตื่นขึ้นมาเยียวยาด้วยฌานสมาบัติพอมีเรี่ยวมีแรงแล้วไปกราบทูลลาพระพุทธเจ้าลาไปไหนลาไปนิพพานนี่เห็นไหมเรื่องเก่าขึ้เรื่องใหม่พอเวลา ม, มันประจบกันแล้วเรายกเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อจะให้เราเข้าใจและได้คติว่าคนเรานั้นมีผิดมีถูกมีชั่วมีดีแต่ถ้าเรามาลึกได้ เราเลือกทางเดินที่ดีที่เหมาะเพื่อที่จะสร้างกรรมใหม่ที่ดิบที่ดีเหมือนอย่างพระโมคคัลลานะในเมื่อท่านตั้งออกตั้งใจบําเพ็ญบารมีกันเต็มเปี่ยมแล้วอ่าอัตภาพสุดท้ายจะแท้เขาก็ยังมาตามเอาอ่าอัตภาพรังกาเนในสุดในสุดท่านกับมรณภาพวสถถูกเขาถูกกระทุกกระลาพระพุทธเจ้าไปปณิพานพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะท่านนิพานก่อนพระพุทธเจ้านะ ภาษาวกอาคภาสาวกทั้งสองนี่นิพพานก่อนพระพุทธเจ้าแต่ว่าใจของท่านพ้นทุกข์ขนโทษไปแล้วนิพพานไปแล้วไม่มีอุปาทานเพราะไม่มีตัณหานะในเมื่อไม่มีอุปาทานแล้วภพก็ไม่มีภพคือที่เกิดนะเมื่อภพไม่มีชาติคือผู้ที่จะเกิดในภพก็ไม่มีเพราะมันหมดคําว่าผู้ผู้ผู้คำว่าผู้คืออัตตาคือตัวตนผู้ที่สําคัญมั่นหมายว่าตัวตน กายเขเป็นตัวตนใจก็เป็นตัวตนผู้สําคัญมั่นหมายตรงนี้ไม่มีศึกษาทะลุผุโผงมาแล้วไม่มีปล่อยละวางได้หมดเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนนั้นจิตจะรุงรังปนเปื้อนไปด้วยขันทั้ง5่านี้มีรู ป, ปรขันเพราะอะไ ร, เ, ระเป็นเพราะเป็นวิบากกรรมมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็เพราะว่ามีวิบากรรมแท้ที่จริงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นกิริยาอาการของใจ เป็นอาการของใจไม่ใช่ตัวใจนะก็เหมือนอย่างลมที่มันพัดอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอาการของไฟแสงสว่างที่ปรากฏเฉพาะหน้าเราเดี๋ยวนี้เป็นอาการของไฟเสียงที่เราได้ยินได้ฟังอยู่นี้เกิดขึ้นจากอะไรอาการของไฟตัวไฟแท้ๆเรามองไม่เห็นไฟแท้ๆธาตุไฟแท้ๆคือร้อนสมมติยาเราจุดเทียนเล่มหนึ่งเราเห็นเปลวไฟเราเห็นเปลวไฟไม่ใช่ไฟนั้นน่ะเปลวไฟ มีควันมีสีแดงมีสีเหลืองแต่ว่ามันจะติดได้เพราะว่ามันมีไส้ในไส้นั้นมันกินน้ํำมันพอใส่ไปปับ๊บไฟมันก็ติดเราจะรู้จักว่าไฟเราจะทำไงเอามือไปจี้ลองดูนะกลับไปนี้เอาไฟเทียนมาจุดแล้วเอามือจี้ลองดูเมาโอ้นี่แหละไฟนี่แหละไฟไอ้ที่เราเห็นนะเป็นอาการของไฟเวทนาสัญญาสังขารของเราที่เรียกว่า ขันนามขันทั้ง5เนี่ยเป็นอาการของใจเวลาท่านชะล้างได้บริสุทธิ์หมดแล้วอาการของใจไม่มีเหลือแต่ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวไม่เกี่ยวกับสิ่งเหล่าใดเพราะฉะนั้นความอยากก็หมด อ, อุปาทานก็หมดความยึดความถือไม่มีภบชาติจึงไม่มีผู้ที่จะไปเกิดในภบชาติก็มีเราไม่ต้องพูดถึงโสกปริเทวะทุกขโทรมรัสปายาเราไม่ต้องพูดถึง ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นดับดับไปหมดพระพุทธเจ้าตอนท่านที่ท่านนายบรรลุธรรมถ้าเราจะพิจารณาตามหลักตามหลักปฏิจจสมุปบาทท่านก็มาบรรลุธรรมพิจารณาตัดตัณหาขาดตัณหามันมาในลําดับของเวทนาอ่ามาในลําดับของเวทนาในเมื่อตัณหามันดับแล้วเวทนานั้นก็ไม่ถูกยึดอ่าเพราะว่าตัณหาไม่เกิดตัณหามันดับเมื่อตัณหาดับแล้วอุปาทานมันก็ดับ พบก็ดับชาติก็ดับเพราะฉะนั้นจิตของท่านจึงคงที่จิตของท่านไม่เคลื่อนไปไหนแต่อัตภาพร่างกายประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟแตกสลายไปตามการตามเวลาแต่จิตของท่านบริสุทธิ์หนึ่งเดียวยังมีให้ปรากฏอยู่เวลาไปพาดพิงเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเวลาท่านเข้าสู่มหาปรินิพานน่ยท่านเอาจิตพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระองค์นี่แหละอาศัยขันทั้งห้าเที่ยวสั่งสอนอ ฝังพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา45พระพันษาท่านเอาพระจิต ท, ที่บริสุทธิ์นี่แหละมาสั่งมาสอนผ่านอะไรผ่านเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณผ่านกายที่ประกอบไปด้วยดิ น, นำ้ำหล่มไฟนี่อันนี้เป็นผลิตผลของกิเลสนะเนี่ยขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นผลผลของกิเลสเมื่อก่อนนั้นเราชำะล้างกิเลสยังไม่ได้เป็นเครื่องมือของกิเลสพอเราชระล้างกิเลสได้หมดแล้วขันธ์ทั้ง5้าเป็นเครื่องมือของธรรม เอาจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละไปเที่ยวสั่งสอนทำอาศัยขันทั้งห้าเนี่ยเที่ยวไปบอกไปสอนต้องขบต้องฉันต้องหลับต้องนอนต้องนุ่งต้องหอมต้องอายอะไรไหเหมือนกันเพราะว่าขันทั้งห้ามันมีความจําเป็นต่อต่อเหตุปัจจัยคือปัจจัยทั้ง4พระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันอนะ่เวลาร่างกายเจ็บพระองค์เจ็บไหมร่างกายของพระองค์เจ็บพระองค์ก็เจ็บแต่ใจไม่เจ็บเพราะใจมันต่างหากแล้วใจมันหมดการยึดถือเอ๊ะมันขัดกันได้ยังไง เรามาพิจรารณาดูก็เป็นเหตุให้เราข้องใจสงสัยเหมือนกันอะเราไม่ต้องพิสูจน์มากดอกแค่เรานั่งปวดนี่ละ่ะเราลองเราลองสักเท่าไหรดูให้เห็นสักเท่าไหรปวดเฉยๆอยเนี่ยมันไม่ทุกข์ใจนะแต่ถ้าหากความรู้สึกว่าเป็นเราปวดเราปวดเราปวดขึ้นมาทนไม่ได้ดอกอ่ะไม่ได้พอสิบไม่ได้พอสิบคำดอกพลิกแล้วเปลี่ยนแล้วเราพิสูจน์ดูแค่นี้ก็พอแหละเพราะยังมันเหนียวแน่นไหม อุปาทานตัณหาอุปาทานมันเหนียวแน่นไหมกว่าจะมาสะมาฟอกกว่าจะมาชะมาล้างจะมาศึกษาขัดกลายรู้ให้เข้าใจรู้ปายรู้วิธีของมันมันมันก็ไม่ยากมันก็ไม่ง่ายพระพุทธเจ้าทั้งสองพระสงฆ์สาวกพระอริยะสาวกแต่ก็ต้องพร้อมด้วยบุญญาบารมีอินทรีย์ศรัทธาพระวิริยะพระสติพระสมาธิพระปัญญาพระสัจทินทรีย์ ยิ่งใหญ่ด้วยศรัทธาเวรียินสียิ่งใหญ่ด้วยความภาคความเพียรสตินสียิ่งใหญ่ด้วยสติสมาธินสียิ่งใหญ่ด้วยสมาธิปัญญสียิ่งใหญ่ด้วยปัญญาพระก็คือกําลังอินรียก็คือความเป็นใหญ่เป็นใหญ่สามารถนําทางขับเคลื่อนตามอริยมรรคเมืองแปดไปได้อย่างทะลุโปร่ปง ถึงที่สุดพ้นทุกผลโทษในวัฏสงสารโอ้พูดมาเนิ่นนา น, านยาวจนเป็นเวลาสามทุ่มสิบนาทีเป็นระยะเวลาเท่าไรแล้วืมเมื่อไรจะจบยาวเหลือเกินชั่วโมงยี่สิบนาทีเออพอสมควรแก่เวลามีเวลาก็พูดคุยสนทนาได้บ้างนะมันดึกแล้วท่านองค์ใดท่านท่านท่านใดมีข้องใจเกี่ยวกับ ธรรมที่พูดไปบ้างก็สนทนาไดา้ในเวลาจำกัดเพราะมันดึกแล้วเชิญได้เลย <c oughs> หลับตาบ้างลืมตาบ้างาชั่วโมงยี่สิบนาทีหลับกี่ครั้งหลับกี่ครั้งฮะ ใครใครแย่งอุบาสิกาน้อยหลับบ้างใครแย่งเพิ่นหลับบ้าง <laughs> อุบาสศกอุบาสิกาอุบาสศกผู้ชายอุบาสิกาผู้หญิงอุบาสศกน้อยกู้ผู้ชายเข้าวัดเข้าว่าเด็กในน้อยอุบาสิกาน้อยก็ผู้หญิงตัวในน้อยเข้าวัดเข้าว่าอุบาสิกาน้อย อบาจิกาใหญุ่บาจิกาเท่าฮะพุทธบริรสัทภิกษุภิกษุณีอุบาสกอบาสิกาอา้าวเปิดโอกาสได้อา้าวใครคงแก่ภาวนาซะหน่อยนะฟังเข้าใจบ้างรู้เรื่องไหมรู้เรื่องบ้างไหมไม่ได้พูดที่อื่นเลยพูดเรื่องใจอย่างเดียวเลยพันใบพันมาอยู่นี่แหละพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องฮะ ฟังไม่ออกไม่รู้เรื่องถ้าหารไม่ทรงใจมาที่นี่ไม่รู้เรื่องดอกส่งไปทิ่นู่นไม่รู้เรื่องพูดอยู่ในนี้พูดอยู่ตรงนี้แหละอ่าย้ำไปย้ำ ม, มาย้ำ ม, มาย้ำไปโยงนั้นไปโยงนั้นมาโยงมาโยงไปอยู่นี่แหละย้ำอยู่นี่แหละอืม อามีอะไรอีกเนี่พัตเตอร์หลึกแล้วยังเหงาหนอนแล้วยังหรืออยากภาวนาอย่างรุนแรงเลยจะรีบกลับไปภาวนาอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้พา น, านั่นงภาวนาเนี่ยพูดใด้ฟัง่เชฉยให้นั่งภาวนาเนี่ยยาวแล้วเกินมานานจบแล้วเกินปวดพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกแล้วพลิกอีกอยู่เนี่ย คราวหลังโอ้ยหลวงพ่อมันมีมาไม่ไปดอกพูดยาวมากนานจบอาว่างไงนี่ยตังไงเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยแสดงว่า กายในกายเราไม่ต้องไปแก้ไขอย่างอื่นนะเราอย่าไปติดในคำพูดว่าคาว่ากายในกายหรือเราจะแก้ไขก็ได้กายย่อยในส่วนของกายใหญ่เช่นอย่างลมก็เป็นส่วนหนึ่งของกายดินก็เป็นส่วนหนึ่งของกายผมขนเลยบฟันแต่ละอย่างเป็นส่วนหนึ่งของกายที่ทเรียกว่ากายในกายหรือเราจะใช้คาว่ากายในกายนอก กายในกายกายกายกายกายในก็หมายถึงอัตภัรร่างกายทั้งหมดกายนอกคือกายที่เป็นรูปสัญญาที่เป็นเรื่องของกายเราจะว่าอย่างนั้นก็ได้หรือเราจะว่ากายย่อยในส่วนของกายใหญ่กายในกายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนาในเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานจิตในจิตานุปัสนาสติปัฏฐานธรรมในธรรมานุปัสนาสติปัฏฐาน ถ้าเราตีความอย่างนี้มันก็ไม่เห็นข้อที่จะเป็นเหตให้เราข้องใจสงสัยแต่เราไปติดใจคำว่าวในในกายกายในกา ย, กายเวทนานในเวทนาจิตในในจิตเราก็เลยตีความไปอย่างนี้แท้ที่จริงธรรมะถ้าจะว่าไอ้ส่วนที่อยากยากให้เราดใราูให้เราเห็นให้เราพิจารณามีอยู่ให้เร า, ห เ, ราเห็นเราอยู่อยู่แต่ถ้าเรารู้สิ่งเหล่านี้แล้วไอ้เช่ละเอียดลึกออกไปมันก็ซึมซับเข้าไปซึมซาบเข้าไป แค่นี้น่าจะพอเข้าใจนะอ่านี่อยู่ใกล้ๆเดิมันเข้าไปหลายด้อยู่ใกล้นดิอยู่ใกล้ๆมันเข้าไปน้อยหน่อยนี่อยู่ใกล้ๆดิเนได้เข้าไปหลายดิอ่าใช่ในขณะที่เราอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกจิตของเราสงบไหมจิตของเรามันสงบเนี่ยอ่าแต่ว่าไม่ใช่ลมเรานะแล้วก็ไม่ใช่กายเรา อย่าให้คําว่าเรามันโผล่ขึ้นมาถ้าเราโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไรนั่นตัณหามันแทรกเข้ามาแล้วตัณหามันแทรกเข้ามาสงบขึ้นมาเนี่ยโอ้โหตื่นใจเราสงบแล้วเราสงบแล้วภาวะอะไรให้รู้ไว้ภาวะอะไรกสักเท่าว่ารู้สักเท่าว่าสติสักเท่าว่ า, วาวเป็นตัวระลึกไม่ได้ยึดเอาในหลักประสีฐ า, านท่านพูดอย่างตรงตรงเลยเนี่ยให้เราแปลตามนั้นอย่างตรงตสติสักเท่าว่าเป็นขึ้นระลึก กายสัคตว่าเป็นเครื learning, uvo, outlet, ging, ่องลึกเป็นเครื่องรู้สติเป็นตัวเราลึกเป็นตัวรู้ก็ายสัคตว่าเป็นเครื่องลึกเป็นเครื่องรู้แต่ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่อนัตตาไม่ใช่ของเราสิ่งนั้นไม่โผล่ขึ้นมาแต่ภาวะที่แท้จริงของมันคือความไม่ใช่ตัวไม่ชนอัตตาตัวตนมันไม่โผล่ขึ้นเพราะตัณหาคือความอยากดึงไปเพื่อความเห็นแก่ตัวมันไม่มีนี่ตัณหาคือความอยาก ความอยากในใจในะั่นเราดูออกนะพยายามดูความอยากในใจเพราะเราให้มันออกถ้าเราพิจารณาความอยากส่วนละเอียดที่เป็นเรื่องของสมุทยไม่ออกเป็นเรื่องของมรรคเราพิจารณายังไม่ออกเราก็พิจารณาความอยากอยากข้าวอยากน้ำอยากนอนอยากพูดอยากคุยเอ๊นี่ความอยากความอยากมันโผล่มาโผล่มาที่ใจมันจะมีกิริยาอาการบอกความอยากถ้าใครจับความอยากได้เสร็จแล้วเรากร ม, มาตรองเอ๊ะ อยากเพื่อราคาเพื่อตัณหาเพื่อล่อเพื่อโกรธโอ้อันนี้สมุทัยรีบตัดออกรีบตัดออกโอ้อันนี้อยากอยากภาวนาอยากให้อยากทาบุญอยากให้ทานอยากเดินยุโคมนั่งอยากนั่งสมาธิอยากได้อัดได้ทำอยากออกบวชเนี้โอ้อันนี้เป็นมรกรีบรีบส่งเสริมรีบสนับสนุนทันทีไปไปไปไปอยากบวชไปวัดไหนไปวัดนู้นไปวัดนี้นะถ้าเป็นลูกผู้ชายพ่อแม่หาบริการให้เลยนี่เพราะมันเป็นมรรค มันก็ต้องอาศัยมันก็ต้องอาศัยความอยากนั่นแหละถ้าความอยากโดยธรรมไม่มีกำลังพอมันก็ชนะความอยากโดยกิเลสไม่ได้พอชนะโดยโดยอำนาจของความของธรรมมันมีกำลังพอชนะของกิเลสมันก็ยุบย่อกลงไปมันหายมันไม่มีช่องที่จะเกิดตั้หาเวลาเราแก้ได้มันจะปลิ้นหน้าหายไปเลยไม่มีซากศพให้เห็นไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่หายปลิ้นไปเลยเป็นมายาของใจ ถ้าเราจะเรียกให้ตรงจุดที่แท้จริงก็คือความเลวส่วนหนึ่งของใจของเราที่มันมีมาสั่งสมมากี่กับเพื่อกันมันมีติดตามมาด้วยกันทุกคนนี่ไม่มีใครทําให้ไม่มีพระเจ้าองค์ไหนทําให้ไม่มีเรารูแต่จิตของเรามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงใครปั้นให้เราเขาใครแต่งให้เราจิตของเราแต่ละดวงมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงถ้าเผิดเราเป็นไม้เงี้ยเป็นก้อนหินเป็นกระโถนเป็นอะไรไม่มีวิญญาณครองเงี้ยแหะมันจะมีความหมายในตัวของมันไหมไม่มี แล้วเราจะอะไรมาพูดเราจะมีคนมีศาสนามีโลกมีนู้นมิไม่มีก็คือว่างเปล่าไปหมดไม่มีอะไระสิ่งนั้นี่สุขมันก็ไม่รู้ทุกข์มันก็ไม่รู้ตัวเหตุที่เรามีผู้รู้แต่ผู้รู้เราเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนไหนรู้ไม่ได้โดยเหตุที่มันยึดยึดอย่างหนึ่งมีคุณสมบัติพอมาเป็นมนุษย์ยึดอีกอย่างหนึ่งมีคุณสมบัติพอเลยมนุษย์ไปเปล น, เ ป, นเป็นเทวดากายทิพย์ฉันนุนฉันนุนชันนุน ยึดไปอย่างหนึ่งก็ไปเกิดเป็นสัตว์เอริชานเนี่ยมันก็ยาไปอีกเนี่ยรูปยาวยาวรูปป้อมปอมรูปอะไรก็แล้วแต่แรูปสัตว์หลายจําพวกอยู่ในน้ํายูนบกเต็มไปหมดนะไปเป็นสนรโลกไปเป็นอสุรกายเป็นเปรตเนี่ยไปดูในพระไตรปิฎกท่านพูดไว้เปรตทีมไม่หมดเปรตเปร ต, เปรตสัมภเวสีเดจันไมท่านพูดเปรตสัมภเวสีอ่ะนะท่านเล่าให้ฟังว่า เปรตต้นหนึ่งชื่ออะไรนะชื่อสาอเป็นลาวคนทางลาวพ่อแม่รวยมากมีเงินทั้งเจ็ดสิบกว่าล้านเป็นเป็นชาวจีนตั้งแต่เล็กมาเน่เคยเห็นพ่อแม่พาแต่วหว้เจ้าเผากระดาษไหายเจ้าเผากระดาษนี่เด็กมันก็จับอย่างนั้นมาตลอดไหายเจ้าเผากระดาษว่ายเจ้าเผากระดาษว่ายเจ้าเผากระดาษพอยู่มาอยู่มาอยู่มาเน่พ่อรวยนะพ่อมีเงินทั้งเจ็ดสิบกว่าล้าน แล้วก็พ่อแม่เนี่ยเปลี่ยนมาทําบุญมาให้ทานถวายข้าวน้าอาหารพ่อชนะอาหารทําบุญให้ทานถวายเจตุปัจจัยถวายอะไรทอะไรแต่ลูกมันยังยึดเหมือนเดิมเหมือนเก่าอยู่มาอยู่มาเนี่ยอยู่มาอยู่มาเนี่ยแม่ตายแม่ตายพ่อเลยมีแม่เลี้ยงพ่อมีแม่ใหม่ฮะ ไอแม่ใหม่ที่เขาไปเอากับพ่อเลี้ยงเพราะเขาเห็นแก่เงินก่อนนี้รวยอยู่มาอยู่มาไอแม่ใหม่นี่มันพยายามแกล้งขับรถชนพ่อตายมันหวังจะฮุบทรัพย์พอพ่อตายปั๊บรัฐบาลยึดทรัพย์เข้าหลวงหมดเมืองลาวเมืองคอมมินิทยึดทซัพย์เข้าหลวงหมดและไอยายสาเนี่ก็ต้องอยู่เผชิญหน้ากันกับแม่เลี้ยงทั้งๆั้งนิสัยไม่ถูกกันอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ โอกาสที่จะกลับจากไหวเจ้าเผากระดาษไปทําบุญให้ทานไปอุทิศส่วนบุญอย่างนียังไม่ได้ทํายังไม่ได้ทําบุญที่จะเพิ่งเกิดขึ้นที่จะไปสะบัดติดตัวเองเหมือนเลยไม่มีอยู่ม า, อ, มาอายุมาอายุสี่สิบสี่แม่เลี้ยงนี่แกล้งจ้างเขามาจับไปคมขืนจนตาย <c oughs> าแกล้งเนี่ยแกล้งพอตายแล้วไปเป็นสัมภเวสี เสื้อผ้าจะนุ่งสักชุดก็ไม่มีร่างกายเปื่อยเน่าเลือแต่กระดูกกรองกระเด้งนะขณีวัดสัมภเวษีมันมีจิตวิญญาณล่องลอยไปหายอยู่หากินหิวหิวหิว อ, อยู่งั้นแหละอาหารก็ไม่มีอยู่ไม่มีกินเสื้อผ้าก็จันุ่งจะห่มก็ไม่มีไม่มีไม่มีอาหารจะกินเห็นแต่เศษกระดาษที่เผากีเท่ากินก็ไม่ได้เวลาเขามีกินเต็มไปหมดเอามือไปแตกร้อน มันไม่ใช่ของเรามันเป็นของเขานี่คือการไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้ทําบุญเอาไว้ท่านเอามาเล่านะจันทไหมท่านเอามาเล่าแล้วรู้ได้ยังไงถึงเอามาเล่าคือไอ้สัมภเวสีเนี่ยมันไปเข้าทรงมันไปเข้าทรงท่านก็ไปมัดมันไว้สอนให้มันรู้จักรักษาศีลผ่านร่างทรงสอนให้มันรู้จักให้ทานผ่านร่างทรงสอนรู้ให้มันทําประโยชน์ผ่านร่างทรง ได้เหมือนกันสอนให้มันปัดกวาดเช็ดถูทำนู่นทำนี้ไปวัดไปว่าไปจ่ายตลาดไปอะไรผ่านร่างทรงแต่วิญญาณตัวนี้เริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมีมีอยู่มีกินมีใช้มีสอยมีอะไรต่ออะไรเนี่ยเนี่ยท่านมีความสามารถนะท่านทําได้นะลองไปถามท่านที่เจอท่านท่านไปถามท่านดูสิท่านเล่าให้ฟังท่านเทศให้ฟัง <laughs> เราเคยฟัง <laughs> ท่านเล่าให้ฟัง นี่คือไม่มีอยู่ไม่มีกินเขาเรียกว่าส้ำพเวสีซ้มพเวสีจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ไปยังไม่ได้จะไปเป็นสวรรค์ชั้นน้นชั้นนี้ก็ไปยังไม่ได้แต่ก็ต้องอยู่ทุกยากลาบากขนาดนั้นนะอดยากเหมือนอย่างที่ท่านเล่าอ่ะเปรตนะ่ะปากเท่ารูเข็มท้องเท่าภูเขาเนี่ยเรามาดูข้ออุปมาแล่าทอ้ท อ, งทองเท่าภูเขากับปากเท่ารูเข็มกินยัง ไ, ไมัจะอิ่มก <laughs> ินยังไงมันจะอิ่ม ตลอดพบตลอดชาติของความเป็นเปรี่ยงเขาก็มีแต่หิวหิวหิวหิวหิวหิวยังไงเรามาดูเวลาเราหิวแล้วเราไม่ได้กินมันเป็นยังไงความหิวของเปรตก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะสมัยมันมีชีวิตอยู่มันยากอยาอยากยา ก, ย า, ก, ย า, กาผิดตะเพือพ้อสารพัดแบบนี้แหละการห่างเหินศีลธรรมการไม่รู้จักศีลธรรมการไม่รู้จักข้อปฏิบัติสมมติอย่างคนหนึ่งตายไปเนี่ย พ่อแม่ต้องการให้เขาได้อยู่ได้กินได้ใช้ได้สอยเสื้อผ้านุ่งห่มอะไรตัวอะไรเนี่ยเอาไปกองทิ้งไว้เนี่ยเขาไม่ได้พยายามวิธีการทําบุญแบบพระพุทธเจ้านะ่ยท่านให้เอาสิ่งเหล่านี้ไปทําให้เกิดประโยชน์เอาพัฒไว้เอาไปให้คนนี้หรือไม่เอาไปถวายกับพระเจ้าประสงค์อาหารท่านก็ได้ครบฉันอ่าสมณ บ, บราริคานสมณบริโภคท่านก็เอาไปใช้ไปสอยอาศัายประโยชน์จากการที่ท่านใช้สอยและท่านได้รับประโยชน์อย่างไรอุทิศประโยชน์ส่วนนี้แหละ ให้แก่ผู้ที่ล่วงลบไปเขาแค่มาอนุโมทนาความดีที่เราทำแค่นั้นเองอึ๊บใจเดียวมันอิม่มเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิเปลี่ยนอัตภาพร่างกายมีอนุนเมาหอมีอันนี้มาหุม่มถ้าเป็นเตวดาก็มีชะดามาสวมทันที <c oughs> <c oughs> นี่พุทธยากล่นสอนนะพระยะระาพุทธยาพิมพิสาท่านถวายเวรุวันเนี่ยถวายวัดเวรุวันเปรตที่เคยเป็นญาติเก่าๆเนี่ย ก็มาตามเพื่อที่จะขอบุญขอบุญที่พระเจ้าพีพิษารทําบุญแต่พระเจ้าพีพิสารไม่รู้เรื่องไม่ได้อุทิศส่วนบุญให้คับญาติทั้งหลายใ น, นวงเหล่านั้นมันก็มาแสดงตนให้ปรากฏจนพระเจ้าพีพิษฐานกินไม่ได้นอนไม่หลับกลัวไปถามพุทธเจา้าโอ้ไม่ใช่ใครบ๊อบพิษมันก็เป็นญาติของพระองค์นี่แหละที่เขามาขอแบ่งส่วนบุญพระเจ้าพีพิษารก็เลยทําบุญอุทิศส่วนบุญให้พุทธเจ้าเลยบรรดาให้เปรตเหล่านั้นมาปรากฏมีอยู่มีกินมีใช้มีสอยเปลี่ยนเครื่องนุ่งเครื่องห่มเปลี่ยนัีนภูมิทท แค่สาธุแค่นั้นนะ่ะมีเรื่องอำนาจของใจความเลื่อมใสสาธุรับเอาแค่นั้นนะ่ะมันได้ผลมันมีเรื่องหนึ่งที่ท่านเล่าไว้ในเล่าไว้ในธรรมบทนะอะมัตตกุณธลีเนี่ยพ่อจะหนีมากเป็นเด็กหนุ่มแล้วก็ป่วยเป็นโรคผอมเหลืองนอนพ่อเนี่ยด้วยดวยอาศัยความทรณีเนี่ยไปหาหมอมารักษามาดูแลก็ไม่หาเด้ไปหา ต้นไม้ไปหารากไม้ไปหาอะไรมาต้องให้กินตัวเองไม่ใช่หมอมันจะมารักษาดูแลยังไงจะหายไม่กล้าให้ให้หมอมาคงจะต้องเสียหนักๆเขารู้ว่าลูกตัวเองไปไม่รอดจะตายแน่ๆเละถ้าให้มันตายอยู่ในบ้านเนี่ยเดี๋ยวคนมาจะมาเห็นในบ้านจะเห็นสมบัติคนทันทีมันเป็นอย่างงั้นเอาลูกไปไว้ข้างนอกห้องอมรตุคนทันีก็ไปนอนแผ่อยู่ที่ชานบ้านข้างนอกน่งอนอนแผ่ใกล้จะขาดใจาตายแล้วหันหน้าเข้าหาฝาเนี่ย ตอนเช้าพอดีพุทธเจ้าไปบินธบาตพระองค์ก็แสดงพุทธานุภาพให้รัศมีของพระองค์ไปกระทบฝาภาพทําให้มรรคคุลสิริเห็นแสงแปลกอัศจรรย์เลื่อมใสศรัทธาอัศจรรย์นในใจหันมาดูโอ้พระสมณะโคดมปลื้มปีติยินดีในขนาดนั้นเลยใจขาดใจต า, ายต า, ายในขณะที่ใจปลื้มปีติยินดีไม่เคยทําบุญให้ท่อะไรอย่างอื่นเลยนะ แค่เลื่มปีติยินดีเลื่อมใสในพระสมมะโคดมแค่แวบเดียวแค่นั้นชั่วฟ้าแลบน่ยตายตายในขณะที่จิตเลื่อมใสสถานโอ้ยไปเป็นเทวบุตรบนสวรรค์ชั้นดาวระดึงโอ้มีวิมานอ่ะแปสิบโยชนู่นพอไปอยู่เออเราได้จากอะไรนาะก็เรียมาลึกได้โอ้ได้จากเราเลื่อมใสสถานกับพระพุทธเจ้าแค่นี้เองแค่ได้รับความเลื่อมใสแค่นี้ได้ไปได้สมบัติถึงขนาดนั้นน่ะ พ่อไม่เคยพาทำบุญให้ทานเลยพอพอระลึกมาพอย้อนมาดูพ่อของตัวเองโอ้ยพ่อเราเนี่ยไปร้องไห้ทุกวันไอ้ตรงที่เอาเราไปเผาเน่ยไปร้องไห้ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมัจฉุกุลทะเก็อยากอยากมาแก้เคล็ดพ่อบ้างว่างั้นเถอะมัตสกีเลยลงมาดัดพ่อและเจนี้ลงมาก็พ่อก็ร้องอยู่ตรงนี้มัจฉุกุลทะเก็แปลงเป็นชายหนุ่มไปร้องอยู่ข้างๆตรงนั้นพอพอพ่อคนนี้เห็นพั๊เอะ คนที่ไหนมาร้องไห้อยู่ตรงนี้เดินไปถามพ่อหนุม่มร้องไห้อะไรโอ้ย อ, อยากได้ล้อรถเฮ้ยอยากได้ล้อรถอยังไงเราจะเอาให้ลูกก็รู้พอแรงว่าลพ่อนี่ยตีทีเหนียวขนาดไหนจเจ้าลอ้อเงินจเจ้าลอ้อทองเอาอะไรมีรถอยู่มีแต่ตัวถังรถไม่มีล้อฮะท่านอยากได้อะไรเราจะเอาให้อยากได้อะไรเราจะเอาให้อยากได้พระอาทิตย์กับอยากได้พระจันทร์มาทำลอ้อบ้าแล้วท่านบ้า ใครจะเอาพระอาทิตย์พระจันทร์มาทํำรอไดออ้ท่านพระมามเราอยากได้พระอาทิตย์พระจันทร์นมียังพอมองเห็นไหมแล้วที่ที่พระรามมาร้องทุกวันไหนร้องทําไมคิดถึงลูกมัตตคุณธลีซึ่งเป็นลูกชายที่ตายไปแล้วแล้วรู้ไหมว่ามัตตคุณธลีตายแล้วไปไหนไม่รู้ระหว่างคนหนึ่งร้องให้เอาของที่เห็นอยู่กับคนหนึ่งร้องให้โดยที่ไม่รู้ลูกตัวเองไปเกิดที่ไหนเนี่ยใครจะบ้ากว่ากัน ใครยังก็ปกป้กันโอ้จนได้เหตุด้วยผลเลยยอมยอมนี่ก็สงสัยก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้ามาสงสัยอะไรแล้วพระเจ้าก็เลยบันดาลให้เห็นมัทคุลทลีมัทคุลรรทลรรีก็มาบอกมาบอกให้ทราบอีกนะนี่คือพ่อไม่เคยทําบุญให้ทานเลยพรนะพุทธเจ้าบินฑบาตผ่านหน้าบ้านนอกจากไม่ใส่บาตรแล้ว ย, ยังได้อีกได้สมัยพุทธกาลเป็นอย่างั้นจริงๆ เผยแผ่ผู้ศาสนามันง่ายที่ไหนอะพวกเราเนี่ไปทั้งไหนไม่อดไม่อั้นบินถมาห์โอ้ยจนจะเป็นลมเป็นแล้งใสสองชั้นสามชั้นรุ่นบุกเบิกสมัยพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ลาบากหละบินถมาต์รอบแรกกได้พอขอบพอชั้นดูแต่พระองค์หนึ่งเนี่ยบินถมาห์เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนะ่ยบินถมาต์รอบรอบแรกมาได้แค่ส่วนเดียวเอาให้พ่อเอาให้พ่อทานเอาพ่อไปเลี้ยง พรเจ้ท่านบอกนี่เป็นจริยวัตรที่เราเคยทํามาแล้วบินธบารอบที่สองมาเอามาให้แม่ไปบินธบารอบที่สามไม่ได้เจ้าของต้องอดบางวันก็อดบางวันก็อิ่มบางวันก็ได้ฉันบางวันก็ไม่ได้ฉันนักนาก็สูบ ซ, ซีดพ้อมพระทัลายเห็นเห็นเป็นเรื่องแปลกก็เลยไปฟ้องพระเจ้าพระองค์นี้เอาพ่อเอาแม่มาบินธบารให้ฉันอย่างนี้พิสุกทั้งหลายเราอนุญาตให้เธอเลี้ยงพ่อบินธบารเลี้ยงพ่ อ, เ ล, พอเลี้ยงแม่ได้ ปกติบินธบาตเนี่ยบินบาตมาแลวไปให้เฉยๆนี่ท่านปรับอาบัติน ะ, อะนอกจากพ่อกับแม่แล้วก็บรรลุปราศผู้ที่ตั้งใจจะบวชผู้ที่กำลังจะบวชหรือผู้ที่อยู่ในการดูแลครอบครองเราเป็นคนที่ที่ใกล้ชิดที่เรารับผิดชอบว่าเขาไม่มีส่วนที่จะไ ป, ไ, ปได้อะไรที่ไหนเลยเ เราเราให้เขากันได้แต่พูดชัดเจนคือให้พ่อให้แม่ปกติถ้าไม่ใช่บุคคลเหล่านี้เราไปให้ก่อนเนี่ยโดยที่เราไม่ไม่เก็บไว้ซะ ก, ก่อนเนี่ยปรับอาบัตปรับอาบัติ น, นี่พุทธเจ้าท่านอ น, นุญาตให้พระบิณฑบาตเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้ในสุดพระองคนั้นก็เลยที่แรกว่าจะซึกคือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีพ่อแม่เป็นเศรษฐีอยู่มาอยู่มาอยู่ม า, มาลูกเลยออกบวช ออกบวชแล้วไม่มีใครช่วยดูแลทรัพย์สมบัติคนนั้นก็โกงค น, นก็หาอันนั้นก็หาอันนี้ขายคนนั้นก็กงเขาคนนั้นก็ยืมคนนั้นอะไรไปแล้วเขาไม่ส่งคืนมาอะไรอะไรอ่าแล้วก็หายบ้างอะไรบ้างในที่สุดแล้วยากจนลงยากจนลงจนไม่มีอยู่ไม่มีกินจนได้เป็นคนขอทานมีคนเขาไปเล่าให้ฟังโอ้ยทุกข์ใจแล้วแหะเราตั้งใจมาบวชถึงขนาดนี้เราก็ยังไม่ได้อัดได้ทําได้มรดกได้ผลเรายัางไรย่งไรเราจะศึกไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ดีกว่าอ่าเศร้าโศกคร่ําครวญถึงพ่อถึงแม่แล้วตอนนี้ เดินไปเดินไปไปถึงสางสองแพร่งเอ๊ะเราจะไปทางไหนเนาะถ้าไปทางนี้เราก็ไปถึงพระพุทธเจ้าไปหาพระพุทธเจ้าถ้าไปทางนี้ก็ไปหาบ้านของพ่อของแม่เออเราไปหาพระพุทธเจ้าก่อนดีกว่าก็เลยไปเล่าให้ท่านฟังเนี่ยท่านก็บอกเออเราอนุญาตให้บินทบาทเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้ก็เลยไปเอาพ่อแม่มาเลี้ยงมาบินทบาทให้เลี้ยงอืมนี่ท่านพูดท่านพูดท่านพูดถึงว่าบินทบาดเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้ พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเล่าถึงอดีตประวัติว่าท่านทำอย่างนี้จนเป็นเหตุให้พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเอาอัดเอาธรรมมาบอกมาสอนพวกเราพูดยืดยาวเลยเลยไม่มีเวลาจะถามแล้วพูดเอาเองหมดเนี่ยนะนถ้าไม่มีอะไรก็ให้พรอนะะถือนะ